ากรอกาบคารวะพ่อครูได้ความเคารพอย่างสูงครับกราบุษการหมู่สมณะและพิสุธรูปได้ความเคารพครับเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราชธานอาีอโศกและอยู่ที่บ้านทุกๆคนวันนี้รายการวิธีอริยธรรมก็พบกับท่านเช่นเคยทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา9้านาถึง11นาฬิกาโดยประมาณวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สสิงหาคม2 5งรหแรมส13ามค่ำเดือน8ปดปีมะเส็งนะรายการวิธีอริยธรรมวันนี้ก็จัดที่อยู่ที่บ้านราษเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุดิ์เมืองอมตะนะวันอาทิตย์วันนี้นะที่กรุงเทพเขาก็คงคึกคักนะโดยผู้คนที่จะ ไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองขึ้นมานะส่วนพวกเราก็มาฟังธรรมกันนะที่นี่ที่ใครที่สนใจมาฟังธรรมก็มาฟังธรรมนะที่พ่ะครูจะแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา9้าโมงวันอาทนะิตย์นี้ก็คงจะได้สนทนาธรรมกับผู้ที่ s อสเอมานะที่ตั้งคำถามมาหรือว่าวิจัยวิจารณ์อะไรพ่ครูมาหรือว่าธรรมะมาก็จะพ่อครูก็จะ นะสากระชาธรรมกับผู้ที่แสดงความเห็นมานะในใน s นะต่อจากนั้นก็จะพูดเรื่องของตาตานะตานะ ต, ะะตาเป็นยังไงกมม็มีคนเคยใช้ผู้นำประเทศคนหนึ่งเคยใช้ตาตานะตานะ ต, ะะตาแปบลบว่าเป็นอะไรเป็นของกูนะนี่ตาตาวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยพรครูคงจะอธิบายนะเราได้ยินคำว่าตถาคตใช่ไหม พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าตถาคตเพราะครูเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ใช้คําว่าอาตมานะไม่เหมือนกันนะนะเพราะฉ น, นั้นคนที่จะใช้ตถาคตได้เนี่ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะใช้คํานี้ได้นะนั้นคนที่จะใช้คํานี้ได้ต้องเป็นคนที่สูงสูงสุงสดทียบเ่ที่จะใช้แทนตัวนี้ได้นะเรากคงได้ฟังกันในเรื่องลึกซึ้งที่เราจะได้ฟังในเรื่องของธรรมะนะทำให้เราได้สามารถที่จะ เพิ่มเติมที่จะเพิ่มอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาเรามากขึ้นมากขึ้นเพื่อไปสู่การบรุ้ธรรมเป็นอริยะของตัวเราเองตั้งแต่โซดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหัตผลในชาตินี้หรือชา ต, ติต่อไปให้ได้ก็ต้องขอกราบนิมนต์พระครูด้วยความเคารพครับอ่าววันนี้ก็มีผูท้ที่บอกว่าไม่ นักกฎหมายวานันนะนะก็คงจะเป็นผู้ที่มีมีผลเยอะแหละนะก็มีผู้นำเอาคำที่ความที่ผู้ท่านผู้นี้แหละนะ่ะยังคงใจยังต่อว่ายังอะไรจะแตามาอยู่ตั้งแต่บอกว่าอยากจะให้อธิบาย บุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งคืออาหารมังสวิรัติบุญญาวุฒิหมายเลขสองคือตลาดอริยะคือพาณิบุิยมบุญญาวุฒิหมายเลขสคือกิจ ก, กรรมไร้สาร พ, พิษบุญยาวุฒิหมายเลขสคือสุขภาพบุิยมบุญญาวุฒิหมายเลขห้ 4, คือการศึกษาบุญยมบุญญาวุฒิหมายเลข6สื่อสารบุิยมบุญญาวุฒิหมายเลข7 คือการเมืองบุญนิยมเนี่ยทีนี้คุณคนนี้ก็บอกว่ากระผมเห็นด้วยกับข้อหนึ่งถึงข้อหกแต่ข้อเจดนั้นกระผมเห็นว่าไม่ใช่หนทางสู้พระนิพพานจึงฝึกจิตข้ามให้พน้นให้ได้เถิดฝึกจิตในปพการข้ามเรื่องการเมืองน ะ, ะเรื่องข้อเจ็ดนี่คือการเมือง แล้วจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงไม่ดีกว่าหรือครับอตอบตรงนี้ก่อนว่าดีคือฝึกตนให้ข้ามพ้นข้ามพ้นการเมืองก่อนอแล้วจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงดีถ้าผู้ใดยังข้ามไม่พ้นการเมืองไม่ได้ผู้นั้นก็ ไม่ดีนี่ตอบขั้นต้นก่อนตอบอีกทีหนึง่งหนทางสู่พระนิพพานนั้นมีการเมืองด้วยสำหรับผู้ที่เข้าใจสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจอย่าแย่มเข้าไปในการเมืองผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันในการเมืองอย่าแย้มเข้าไปในการเมืองการเมืองเย็บเอาแน่เพราะการเมืองมันร้กาศทุกประเทศทุกสังคม การเมืองนีร้ายแรงเพราะฉะนั้นภู้มีภูมิคุ้มกันในการเมืองมีโลโกตรจิตแล้วจะเข้าไปช่วยการเมืองเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้อย่างแท้จริงอนี้ตอบขั้นที่หนึ่งกออ่าอ่าทีนี้ความเห็นอย่างคุณอ่ที่พูดมานี่ที่ถามมานี่มีเยอะเห็นอย่างนี้เยอะคือไม่เข้าใจขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายยังไม่เข้าใจใเบื้องต้นทั้งกลางบรงปลาย เบื้องตน้นคือผู้อ่อนแออ่อนแอรจริงๆเลยอันนี้เป็นเหยื่อทุกอย่างขั้นกลางคือผู้ต่อสู้ขั้นกลางนี่ก็ต่อสู้ต่อสู้ไปตามลําดับถ้ามีความสามารถสู้ได้ก็สู้ไปได้เรื่อยๆสูงขึ้นสู้ขึ้นจนถึงขั้นปลายสู้ได้หมดจะขั้นกลางก็สู้ไปไเรื่อยๆจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขั้นปลายก็คือสู้ได้หมดอยู่เหนือโลกุตระห ร, ะหระืออุตระอนุตระเลย อยู่เหนือเมื่อเป็นผู้อยู่เหนือสิ่งนั้นแล้วจริงจะไม่ประมาทาจะมีปัญญารู้ตนรู้ตัวมีอตัญจุตตาแล้วก็จะมีมัตตัญจุตาประมาณเพื่อที่จะไปช่วยผู้อื่ น, นเมื่อเหนือแล้วก็ไปช่วยผู้อื่นนี่คือสัจธรรมที่พิเศษผู้ที่เหนือแล้วไม่ช่วยผู้อื่นอยู่ป่าเขาทําแล้วก็หลบเลี่ยงอยู่เลยนั่นน่ะไม่ใช่คำพูดหรอกพุทธจะอยู่กับโลกีแล้วก็แบ่ง โลกีมันมีอยู่เพรามันว่าอยู่ไปแบ่งเอาว่าเราจะปฏิบัติขั้นนี้ก่อนมีกรอบนะมีคอนเทนต์มีคอนเท็กซ์ของตอนเองมีการจํากัดนะจำกัดนะจกัดคอนเทนต์จำกัดสิ่งที่บรรจุอยู่ของตอนเองว่ากรอบตีกรอบบริบทของตอนเองไม่ใช่ถึงบริบทนยังไม่ถึงขั้นบริบททีเดียวคอนเทนต์ เป็นแค่เป็นแค่สิ่งที่บรรจุอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างมีหัวข้ออย่างนี่มีรายมียังไม่ถึงรายละเอียดยังไม่ลงรายละเอียดแบ่งเป็นหัวข้อแบ่งเป็นส่วนชุนตอนๆอนอเรียกว่าบัญญัติยาวบัญญัติที่ข้อภายบัญญัตินี้ยังบัญญัติที่ยังยาวนะเป็นหัวข้อหัวข้ออยู่เรียกว่าคอนเทนต์ส่วนคอนเท็กซ์นั้นน่ะ ก็ลงไปในรายละเอียดของบริบทหรือกับของอของคอนเทนต์นั้นเลยอีกทีหนึ่งละเอียดลงไปในอันนั้นอีกทีหนึ่งเลยจะไปแบ่งซอยย่อยเป็นปริเฉตปริเฉตอีกทีหนึ่งก็ได้หรือจะมีวินยัตมีรายละเอียดสภาพที่จะรู้ได้โดยอาการอาการรวมเรียกว่าอาการกายวิญญัตอาการรวมนี่ประชุมรวมเรียกว่ า, าการยวินยัต ถ้าอาการที่เห็นได้ด้วยเสียงภาษาเรียกว่าวจีวิญญาต์สื่อมาทางวจีถ้ากายวิญญาติทั้งกายวาจาใจทวจี น, นี่ก็คือมีภาษากับใจสื่อออกมาใจจะเป็นตัวประทานสื่อมาเป็นกายะกายวิญญาต์เป็นวจีวิญญาต์ตามลําดับอ่านในขั้นต้นอธิบายปริปรามาท่าฟังนิดหนึ่ง อ, อ่านอาจมาจะอ่านความ ความในใจของคุณคนนี้ให้ฟังเสก่อนที่สื่อมาเป็นเอ่ซ s เอมาอะไรเนี่ยนะว่างนี้เ่าเขาว่าว่างนี้ผมขอยืนยันกับท่านอีกครั้งนะขอยืนยันเลยนะนอกจากว่ากระผมเห็นด้วยกับข้บอหนึ่งถึงหกแต่ว่าเจ็ดนี่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่้นทางนิพพานนขอให้พให้ได้เถิดอาตมาก็ตอบแล้วว่า อาตมาข้ามพ้นแล้วแต่คุณก็ยังเข้าใจว่าอาตมายังข้าไม่พ้นก็เข้าใจก็ดีก็ถูกต้องพูดที่ยังข้าไม่พ้นอย่าย้มบอกแล้วการเมืองนี่มันเลวร้ายมันรุนแรงเพราะว่ามปนการใช้อำนาจเขาถึงเรียนในรัฐศาสตร์กันว่าการเมืองคือเรื่องของอำนาจความจริงแล้วเนี่ยการเมืองที่ดีที่สุดนั้นไม่จงใช้อานาจแต่ใช้คุณค่าคุณธรรมเอาต้นเลยเขาบอกว่า ผมขอยืนยันกับท่านอีกครั้งว่าไม่ได้มีอคติในทางส่วนตัวต่อท่านและชาวอาโศกเลยในทางกลับกันผมไม่ได้ว่าแนวทางของสันติอโศกในอดีตนะแนวทางของอโศกในอดีตในเงื่อนไขเลยนั่นถูกต้องนะก็สรุปได้เป็น understood ว่าปัจจุบันนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะ เล่าว้ในฐานที่เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ไม่ถูกต้องแล้วแต่ก่อนนี้ในอดีตนี่ถูกต้องตามหลักธรรมตามธรรมชาตินะตามหลักธรรมตามธรรมชาติวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องคำว่าธรรมชาติด้วยธรรมชาติชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยนะที่ผมติติ่งอยู่ทุกวันนี้นะก็ขอบคุณที่ติดติงเราที่ผมติดติงอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าห่วงใยสังคมมากกว่า ที่ติดติงเรานี่นะคุณคนนี้บอกว่าห่วงใยสังคมไหมนะไม่ได้ห่วงใหญ่สติอโศลรอกเพราะกําลังจะออกนอกดีนอกทางห่วงไม่ไหวหรอกนีน่คือความเข้าใจเขาอาตมาเข้าใจคําพูดของคุณนี่นะที่ห่วง ท, ที่ติงอยู่วันนี้เพราะห่วงใยสังคมมากกว่าเพราะสิ่งที่ท่านแสดงที่ห่วงสังคมเนาะห่วงเพราะสิ่งที่ท่านแสดงนี่แหละแสดงเผยแพร่อยู่ทุกวันนี้นะมันไม่ใช่เนื้อแท้ทางธรรม อ่าใช่ไม่ใช่เนื้อแท้ทางทำของคุณที่เข้าใจแต่เป็นเนื้อแท้ทางทำของพระพุทธเจ้าอาตมาคอยืนยันอ่าทำของของคุณน่าขอภระอาตมาตอบตรงๆเพลินไปน่าเพราะว่าคุณเข้าใจอย่างนั้นแต่อาตมาเข้าใจของพระพุทธเจ้านี่คอยืนยันของพระุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจจะเห็นขัดแย้งกันขัดต่างกันเพราะฉะนั้นฟังดีๆสิ่งที่อาตมาจะอธิบายต่อไปมันจะต้องขัดแย้งเรื่องว่ามันไม่ค่อยตรงกับของคุณ ที่เดียวอาจจะมีส่วนตรงก็ได้โดยก็อฟังไปตามลำดับนะเขาก็บอกต่อไปว่ารรนะมาที่ท่านเพราะท่านท่านแสดงเผยแผ่อยู่ทุกวันนี้นั้นมนไม่ใช่เนื้อเนื้อแท้ทางธรรมหากแต่มันเป็นไปในทางโลกหากแต่มันเป็นไ ป, น ใ, นปนในทางโลกมากกว่าซึ่งท่านกำลังนำพาผู้คนให้ไปเกลือกล้วทางการเมืองนะ ให้ไปเกลือกลั่วทางการเมืองมากขึ้นทั้งที่คนเหล่านั้นเขาน่าจะมาหาที่พักพิงจิตใจในทางธรรมมากกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนักการเมืองมาเพิ่งพาธรรมะมาหาอัตมาเยอะขึ้นนักการเมืองระดับสูงๆด้วยนะนขะเขาไปพูดไปหลไย้อย่างมันจะมากไปนัไม่ดีนจิตใจในทางธรรมมากกว่า ธรรมะนั้นย่อมอยู่เหนือการเมืองทูกต้องธรรมะนั้นต้องอยู่เหนือการเมืองถูกต้องอยู่เหนือกฎเกณฑ์ความขัดแย้งใดๆทูกต้องนอยู่เหนือความกดเกณฑ์ความขัดแย้งใดๆคนที่เข้าถึงทำนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติถูกต้องครึ่งหนึงไม่ถูกต้องครึ่งนึ่งเดี๋ยวฟังว่าทำไมถูกต้องครึ่งหนึงไม่ถูกต้องครึ่งหนึ่ง คนที่ถึงธรรมะนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติเพราะเอาบอกอธิบายตอนนี้ดีกว่าเพราะผู้เข้าถึงธรรมชาตินั้นเข้าถึงได้ครึ่งเดียวส่วนผู้เข้าถึงธรรมะนั้นเข้าถึงทั้งธรรมชาติและธรรมะที่เป็นโลกุตระโลกียะคือธรรมชาติคือสามัญลักษณ์คือสามัญลักษณธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยเป็นเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นส่วน ธรรมะของพระเจ้าจะเป็นโลกุตระนั้นหมดความเกิดขึ้นหมดความตั้งอยู่ด้วยและดับไปแล้วด้วยจึงไม่มีชาติเป็นธรรมะที่ไม่มีชาติอธิบายสั้นๆก่อนตอนนี้เพราะธรรมะชาติยังมีชาติอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนฟังให้ดีนะนิ่วัฏสงสารนี่วนเวียนส่วนธรรมะของพระเจ้าโลกุตระนั้นเป็นธรรมะดับ ทชาติดับธรรมะด้วยจะว่ากันจริงๆดับไม่เหลือแม้แต่สิ่งทรงอยู่ธรรมะไปสิ่งทรงอยู่ศูนย์เลยเป็นศุญยตาเลยอ่าเอาขยายความต่อก็ได้อัตมาใช้อันนี้มาหลายทีแล้วธรรมะของอัตมานั้นมีความหมายต่างกักบท่านธรรมพุทธท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสนั้นแปลของท่านไปอย่างที่อัตมาจําไม่ได้สี่ข้อของท่านแต่ของสี่ข้อขอขัอขอมตอมาคือหนึ่ง รู้เท่ า, ân, รราทันธรรมชาติกิเลสนั้นๆเกิดรู้เท่าทันธรรมชาติกิเลสนั้นๆเกิดชาติเนีมันเกิดเพราะนั้นมาธรรมชาติก็คือธรรมะที่ทรงไว้หรือยังมีอยู่นั้นมันเกิดแม้มันทรงไว้แต่มันยังไม่ออกมามันก็ยังไม่เกิด น, นะมันอยู่ในอนุสัยเอานนี่มันจะละเอียดไปแล้วเดี๋ยวเราอ่านนี่ก่อนรู้เท่าทันธรรมชาติกิเลสนั้นๆเกิดสองรู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาตินั้นๆ 3. รู้วิธีและทำการดับธรรมชาตินั้นๆ 4. รู้การใช้ชีวิตอยู่เนือธรรมชาตินั้นทั้งปวกอานอกทธรรมะสีความหมายขอตม า, มาคือหนึ่งรู้เท่าทันธรรมชาติกิเลสนั้นนั้นเกิด 2. รู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาตินั้นๆ สรู้วิธีและทําการดับธรรมชาตินั้นๆัสรู้การใช้ชีวิตอยู่เหนือธรรมชาตินั้นทั้งปวงนี่คือสความหมายของอาตมาส่วนของท่านพุทธศาสตร์อาตมาจําไม่ได้เขาท่านยังเป็นโลกิยะอยู่ยังเป็นกรรมเวีเวนวนอยูเ่เป็นตัทธตาเดี๋ยวจะอธิบายตัทตาอย่างความหมายที่ท่านพุทธศาสตร์หมายด้วยแต่อาตมามีความหมาย ลึกซึ่งสาประการในตัฏฐาอ่าเอาอ่านของคุณนี่ต่อนะ่ซึ่งท่านกําลังนําพาผู้คนให้ไปเกลื่อนกล้วทางการเมืองมากขึ้นทั้งๆที่คนเหล่านั้นเขาน่าจะมาหาที่พักพิงจิตใจในทางธรรมมากกว่าธรรมะนั้นอยู่เนื้อการเมืองบอกเราถูกต้องอยู่เนื้อกฎเกณฑ์ความขัดแยงด้งใดๆถูกต้องคนที่เข้าถึงธรรมนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติถูกครึ่งหนึ่ง ไม่จำต้องมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆมาคอยกำกับควบคุมผิดต้องมีศีลมีวินัยกำกับแม้เป็นธรรมะแล้วเช่นพระพุทธเจ้าท่านตั้งศีลมาตั้งแต่ต้นสร้างศาง ส, สนาคือจุลศีลมชิมศีลมหาศีลนั่นคือศีลแท้ๆของศาสนาพุทธต่อมาก็มีวินยัยวินัยอีกเยอะแต่ทรงนั้นท่านถือสอยบ็ นะก็เรียกว่าวินยัยก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนั้นนะแต่ทรงเดียวนี้ไม่เอาแล้วศีลเอาแต่วินยัยเพราะได้แก่วินัยก็ยังไม่ไหวเพราะงัถ้าไม่เอาไปเอาศีลด้วยตายชักไม่ได้แนะ่เขาเลยทิ้งศีลที่เป็นจุลศีลมัจจิวศีลแล้วศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาทุกวันนี้เป็นศาสนาที่ไม่มีศีลมีแต่วินัย227รนะ้ขออภัยพูดตรงหรืนะพูดแปลงไปเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าจะโกรธก็โกรธอาตมาแต่ใครโกรธคนนั้นทุก คนนั้นเป็นเองอาตมาไม่ได้มีปัญห า, หาอะไรเพราะอาตมาไม่ได้พูดในโกรธอาตมาพูดสัจธรรมสู่ฟังนะออาต่อนะไม่จําเป็นคุณนี่บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆมาคอยคกํากับควบคุมแล้วมีทุกวันนี้อาตมา ก, ก็อยู่ภายใต้กฎหมายต้องมีกฎเกณฑ์ผมก็กุมอาตมา ก, ก็ไม่พยายามละเมิดกฎหมายอยู่แล้วอทุกวันนี้ก็อยู่อย่างกฎเกณฑ์ไม่มีไม่ได้ในสังคมยิ่งเลวๆแหลกๆที่ทรงกฎหมายยี่ต้องเยอะวินัยยี่ทรงเยอะระเบียบยี่ทรงเยอะ นะพองานคนแม้แต่ยุคพเจ้าจะเป็นยุคพระพุทธเจ้าทั้งองค์ยังต้องมีศีลและต้องมีวินยัยถ้ายิ่งมานานถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่อีกนานกว่านั้นวินัยจะมากกว่า2องอย่สบเจขอยืนยันเลยนะเอาทีนี้ต่อไม่จําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆมาคอยกากับบังคับคุมแล้ว น, นี่ผิดนะเหมือนที่ครั้งหนึ่งท่านโพธิรักษ์ประกาศตัวไม่ขึ้นกับเถราสมาคมนั่นแหละผมชื่นชมและเข้าใจได้จริงๆนี่ ประกาศที่ไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่อัตมาไม่เอากฎไม่เอาวินัยไม่เอาอะไรแต่อัตมาจะไม่เอาด้วยกับกฎที่คุณตั้งขึ้นอัตมาเอากฎของพระพุทธเจ้ามาตามเดิมเอาวินัยเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลของพระพุทธเจ้ามาตามเดิมไม่ใช่ไม่เอากฎไม่เอาวินัยไม่เอาระเบียบแบบแผนอะไรเลยอันนั้นเรียกว่าเป็นพวกพวกพวกอหิทุกะพวกไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยไม่เอาอะไรแต่เลยเป็นอเหิทุกะแต่พวก นักติกะไม่มีอะไรไม่เอาอะไรนะมันเลยเถิด น, นะเอาจะ ด, ดีต่อนะผมชื่นชมและเข้าใจได้จริงจริงเข้าใจได้จริงๆไม่ได้ได้ไม่หมดเข้าใจได้ไม่หมดหรอกถ้ามีธรรมะเสร็จแล้วว่า ง, งั้นเลยนะถ้ามีธรรมะเสร็จแล้วก็ไม่จําต้องมีกฎหมายอีกนะถ้ามีธรรมะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมีกฎหมายอีกสําหรับผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วใช่ ผู้ยังไม่มียังไม่รู้อรหันต้องมีนะเพราะฉะนั้นในคนในสังคมที่ยังมีคนไม่เป็นอรหันต์ทั้งหมดต้องมีกฎหมายต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีหลักธรรมวินัย ห, หรือศีลพูดถึงธรรมแล้วจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทางกฎหมายอีกถูกต้องอัตมาไม่เรียกร้องสิทธิใดๆในกฎหมายอีกอย่างเช่นกฎหมายของเถรัสมาคมพศ255อัตมาบวช 2505อัตมาอยู่ในเทรสมาโค อ, อัตมาต้องปฏิบัติตามทีนี้อัตมาเห็นว่านั้นท่านบัญญัติขึ้นเองหลักเกณฑ์ในในกฎหมาย2505 250นั้นอัตมาเห็นว่ามันขัดแย้งกับธรรมอาวุจา์แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นสั่งให้กำหนดให้ทังคราชสั่งศึกคนได้นีเป็นต้นอัตมามันขัดแย้งธรรมอาวุจ้า พระเจ้านั้นไม่มีใครสั่งศึกใครได้นอกจากตามวิ น, นัยนะเพราะฉนั้นคุณไปเปิ่มเติมว่าสังฆราชสั่งศึกได้มันเป็นปเผด็จการมันใช่ไมได้อัตมาไม่เอาด้วยนะพองานมาสั่งศึกอัตมาอัตมาบอกโอ้โหอัตมาไม่เอาอัตมาไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดวินัยถึงขั้นจะสั่งศึกอัตมาได้มีกฎเมกฎเกณฑ์ที่ถึงขั้นสั่งศึกได้มี แต่อาตมาไม่ได้ผิดถึงขั้นกฎเกณฑ์ที่จะให้สั่งศึกได้สึกภายในเจ็ดวันด้วยนะถ้าไม่สึกภายในเจ็วันผิดกฎหมายเพรอะงั้นอากฎหมายนี้มีในสองพันห้าห้านแหละนี่คือให้อำนาจอ่าอำนาจปฏิเด็ดการแก่สังฆราชอาตมา ก, ก็ไม่เอาด้วยกฎหมายนี้หลักเกณฑ์นี้เป็นหลักเกณฑ์ที่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอาตมา ก, ก็เลยไม่เอาอนี้เป็นต้นเพราะงั้นอาตมา ก, ก็เลยเลิกมา ลาออกมาตามมระเจ้านี่ก็ตามวินัยนะลาเป็นนานาสวังว่าออกมาท่านก็อยู่ของท่านอาตมาก็อยู่ของอาตมาเป็นร้านทําปะตองโกเล็กๆขายข้างทางอาตมาก็บอกท่านบริษัทใหญ่ท่านไม่มีปัญหาเนี่ยทานมาพูดอย่างนี้จริงๆนะลาออมาตามปราานะสาอ่าละไม่ต้องฟืง้นฟูฮาตะเข็บผ่านไปก่อนอ่านะเพราะงั้นที่ท่านประกาศไม่ขึ้นทะเลาะตอนอนั้นผมชื่นชมและเข้าใจจริงถ้ามีธรรมะเสร็จแล้วก็ไม่ถึงมีมีกฎอีก พูดถึงธรรมะแล้วจะไม่ได้ร้องสิทธิใดๆทางกฎหมายอีกผมเคยดูคลิปเห็นท่านโพธิรักษณ์บรรยายธรรมะเรื่องรัฐธรรมนูญปี50ก็ยังรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ติดใจเพราะผมพยายามเข้าใจหลักของความเป็นเช่นนั้นเองอเดี๋ยวจะได้พูดถึงเรื่องความเป็นเช่นนั้นเองอย่างสำคัญเลยวันนี้ภาษาบาลีความเป็นเช่นนั้นเองคือตัทตา จำไว้ภาษาบาลีวตัตถตาจะได้พูดตัตถตาอย่างสำคัญตั้งใจฟังดีๆอาตมาจะอธิบายวัตถตาให้ฟังพอสมควรละเอียดพอสมควรเลยวันนี้นตั้งใจแล้วะจะเข้าใจหลักของความเป็นเช่นนั้นเองและฝึกจิตไม่ให้เพ่งโทษคนอื่ น, นแต่ที่มาตอบกระทู้กับท่านอยู่เนี่ยที่มาตอบกระทู้กับท่านอยู่เนี่ยก็เพราะ ต่อหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นๆอาตมาก็เป็นอย่างคุณนี่แหละตรงนี้รับผิดชอบสังคมนี่แหละไม่อยากเห็นสังคมมีความขัดแย้งกันไปมากกว่านี้โอโ้เมียนกันเลยอาตมา ก, ก็ทําอยู่ในนี้เมียนกันที่คุณว่าน่ะคุณทํามันนั้น ก, กับมมาอาตมาเท่านั้นแต่อาตมาทํากับสังคมแต่สังคมของคุณคือว่าอาตมาเท่านั้นอะาไมเป็นไรน่าก็ถูกไม่ผิดหรอกผมเชื่อว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในพระเจริญดกอืม ธรรมะมาดีอยู่ในพระธรปฤฤฤิดกอันนี้ก็เป็นโวหารที่ใช้ได้ธรรมะมาดีอยู่ในพระตรรปฤฤฤิดกแต่ธรรมะก็อยู่ในพระตรรมปฤฤิฎกนะอ่าอาตมาเข้าใจถึงอย่างนั้นมีในพระตรรมปิฎกและก็ไม่ใช่ในพระตรรปิดกใช่ธรรมะต้องเป็นเองจนตาตาข้อหนึ่งในสามอาจแยกให้ฟังเลยตาตามีสามชนิดสําคัญเลยแยกจากที่สองนี้เป็นเองเป็นข้อตนแล้วนั่นอีกอันหนึ่งน่าะที่สอง เป็นข้อตัวแรกอันที่สามเอาเดี๋ยวก็อธิบายผมเชื่อว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในพระไตปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเขียนขึ้นหลังจากที่พระรู้เจ้าดับขันปฎิพานไปแล้วธรรมะคือธรรมชาตินั่นนั่นแน่คุณนี่บอกว่าธรรมะไม่ใช่อยู่ในพระไตปิฎกธรรมะคือธรรมชาติตราความข้อนี้ไว้จะได้อธิบายสําคัญธรรมะคือธรรมชาติของคำอธิบายอันนี้ตั้งแต่ท่านพุทธทาสมาแล้วเชื่อกันเยอะ แล้วก็เอาไปไ ป, ไ ป, ไปคิดไปนึกไปยึดไปถือว่าธรรมะคือธรรมชาติเจ้าซึ่งต่างกับธรรมาเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมชาติด้วยแต่เป็นโลกุต ร, ระที่เป็นธรรมะไม่มีชาติด้วยเพราะฉะนั้นธรรมชาติต้องทําำไมต้องด้วยเดี๋ยวจะได้อธิบาปไปแล้วธรรมะคือธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้านั้นได้ตัดรัดดสรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกขและทางก้นทุกข พระพุทธเจ้าจึงสอนมวลมนุษยชาติเพียงเท่านี้อสอนเพียงเท่านี้นั่นแหละเท่านี้แหละคือเป็นธรรมะโลกุตระเพียงเท่านี้แหละหมดชาติหมดธรรมชาติเท่านี้แหละรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับทุกข์โดยดับเหตุมันได้โดยมีวิธีดับเรียกว่ามาัจนั่นแหละเมื่อดับได้แล้วชาติก็เลยไม่มีแม้ที่สุด สิ่งที่ทรงไว้โดยอาศัยเรียกว่าอรหัตตาหรืออรหันต์อรหันตามีไว้โดยอาศัยอย่างไม่ลึกลับสักแต่ว่าอาศัยเรียกว่าทรงไว้อยู่ถ้าปรินิพพานเป็นปริโยสารแล้วไม่มีอะไรเลยทรงไว้เลยธรรมะก็ไม่เหลือชาติก็ไม่เหลือธรรมะก็ไม่เหลือธรรมะเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่ทรงอยู่มีอยู่ ถ้ายังไม่ถ้ายังทรงเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังมีกุศ ล, ลธรรมยังมีธรรมะที่ทรงไว้มีแต่กุศลไม่มีอกุศลไม่มีบาปถ้าปปปัสสะกันนังสัจจิตตปฏิยุทธกุศลสุภสัพพทามีแต่กุศลดูมีท ร, ร, ทรงไว้กระทรงไว้แต่กรรมกิริยาที่ทํากุศลทั้งสิ้น <c oughs> เพราะทํานได้ล้างเหตุที่มันทําอกุศลหมดแล้วพระอาหารหนทำล้างเหตุในตนเองที่ทําอกุศลหมดแล้วหรือทําบาป บาปคือกิเลสแต่ล้างกิเลสหมดแล้วจากตัวเองเมื่อบาปด้วยกิเลสหมดแล้วก็ไม่ทำอกุศลแล้วมีแต่กุศลทายเดียวตั้งนี้เป็นต้ น, นพระพุทธเจ้านั้นตัดสรูทุกเทแห่งทุกทางพ้นทุกขพระพุทธเจ้าจึงสอนมวลมนุษยชาติเพียงเท่านี้และคำสอนต่างๆล้วนเป็นไปเพื่อความพ้นทุกขทั้งสิน้นถูกต้องจาปันทุกข์กินเปี้ยงไม่ผิดเลยนะ อา้าทีนี้ก็ขอตอบย่อๆสักก่อน่านะตอบย่อๆคำหนึ่ง่านะเรื่องการเมืองนะเรื่องหลักธรรมชาติเรื่องตัฐตาเอาไวท้ทีเอาไว้ตอนต่อไปขอพูดคำว่าการเมืองก่อนนะการเมืองนั้นในภาษามีสองความหมาย การเมืองความหมายที่เกิดจากภาวะมนุษยชาติพฤติอยู่มนุษยชาติมีพฤติอยู่ทุกวันนี้ยิง่งทุกวันนี้ยิ่งเละเลยการเมืองเพราะคำว่าการเมืองเป็นคาที่เรียกพฤติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้เป็นพฤติที่เลวเป็นพฤติที่เสียนั่นคือคำว่าการเมืองสมัยนี้ยุคนี้ส่วนคำว่าการเมืองที่เป็นพฤติของ ผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่ในสังคมแล้วก็ช่วยเมืองช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติอยู่แท้ๆจึงเป็นผู้ที่ทำการเมืองที่ไม่มีพฤติเหมือน ก, นกันกับสังคมที่เขาเป็นอยู่เพราะเ ป, เป็นการเมืองที่ล้มเหลวเป็นการเมืองที่เลวร้ายอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กของสังคมเพรา ะ, ะผรูมีมีภูมิคุ้มกันกระโดดตกเข้าไป เป็นโมเลกุลหนึ่งในสนามแม่เหล็กสังคมแล้วถูกสนามแม่เหล็กเหนียวนําโน้นถ่วงเข้าไปเป็นของเขาหมดไปเป็นแบบโลกียหมดการเมืองนั้นไม่มีคนไม่มผิดผูมกั น, กนเป็นเหล็กอ่อนเป็นโมเลกุลหนึ่งที่เป็นเหล็กอ่อนอนุหนึ่งประดมอนุหนึ่งตกเข้าไปเสร็จถูกแรงเหนียวนํา ข้อเสนอแม่เหล็กโลกียดึกไปหมดส่วนผู้ที่เป็นตนของตัวเองเป็นเหล็กกล้าเป็นเหล็กอะไรจะเรียกเหล็กอะไรล่ะเหล็กกล้าเหล็กสแตนเลสหรือว่าเหล็กเยี่ยมกว่านั้นไม่ได้เป็นโมเลกุลธรรมชาติโลกียไม่ใช่เหล็กอ่อนแต่เป็นเหล็กแข็งแรงของตนเองและเป็นอนูที่แข็งแรงเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นพระมลลายโปรดสัตว์ เข้าไปช่วยสังคมได้เพราะมีภูมิเนื้อเพราะฉะนั้นจึงทำการเมืองอย่างเนื้อการเมืองทำการเมืองอย่างไม่ได้เป็นธาตุการเมืองทำการเมืองอย่างเป็นใจเมตตาเกื้อกูลช่วยการเมืองแล้วตนเองไม่ได้ไปหวังประโยชน์อะไรจากการเมืองไม่ได้ไปแย่งอำนาจเขาแย่งอำนาจลาบยศสเสริญโลกีสุขแย่งโลกีกัน ไม่ได้ไปแย่งเขาอย่างที่เราอตาตมาพาพวกเราเข้าไปทำงานการเมืองไปช่วยสังคมไปช่วยบ้านช่วยเมืองเนี่ยไม่ได้เข้าไปแย่งลาบยศทันเสริญโลกีสุขไม่ได้ไปทำพฤติของการเมืองอย่างสังคมโลกี <im it> ฟังชงัดๆฟังชัดๆเพราะการเมืองจึงมีสองค ว, มมความหมายความหมายการเมืองของโลกีนั้นอย่างหนึ่งความหมายของการเมืองอย่างโลกุตระนั้นอย่างหนึ่งโลกุตระคือ เนื้อเพราะให้ผู้ใดเนื้อจริงเป็นโลกุตระจริงเป็นโลกุตระบุคคลมีโลกุตระจิตจิตเนือ้ออำนาจโลกิยะนั้นได้จริงผู้นั้นเป็นตัวจริงของการเมืองโลกุตระจริงอาตมาไปทําการเมืองโลกุตระไม่ได้ทําการเมืองอย่างที่คุณเข้าใจอาตมาเข้าใจในะเห็นใจนะเห็นใจคนที่ยังไม่เข้าใจการเมืองสองอย่างอ่าแล้วก็ไปเอาการเมืองอย่างที่เป็นทั่วไป โลกุตระการเมืองโลกุตระนะั้นมีคนทําได้น้อยคนต้องเป็นโลกุตระบุคลจริงระดับโซดาบันยังไปช่วยไม่ได้เลยสกิทาคามีก็ยังยากอนาคามีขึ้นไปได้อนาคามีขึ้นไปได้าามีภูมิคุ้มกันจากกรมาภูมิแล้วจากโลกิยะลาบยศสันเริญแล้วสันเซิญก็ยังมีอีกนิดหน่อยแต่ว่าน้อยเป็นมานะนิดหน่อยสันเริญของอนาคามี แต่เรื่องลาบยศอนาคามีไม่มีละเพราะนั้นจึงไปช่วยได้อย่างอิสระไม่ลําเอียงไม่เป็นตัวตนยิ่งอรหันต์ได้เลยเพราะถ้าอรหันต์แล้วก็นำพาพวกมีพลังรวมได้เพราะอรหันต์พวกที่ไปด้วยเขาก็จะเชื่อฟังอรหันต์ผู้นำยิ่งอรหันต์ที่สูงที่มีปารมีสูงก็ยิ่งนำขึ้นไปได้มากขึ้นนี่เป็นเรื่องของการเมืองน่ะ เพระนั้นการเมืองที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาทำโดยที่อาตมาไม่ได้ทําอย่างไม่รู้อินโนอินเนอ่อย่างอวดดียังไม่มีจริงไม่มีโลกุตระจิตจริงเป็นต้นก็บรรลัยแต่อาตมามั่นใจในโลกุตระจิตจริงจึงพาเราไปทําอย่างมีสปุริสธรรมเจ็ดอย่างประมาณอยู่นี่ว่าระใดควรกาลันยุตาอาตมาก็ดูความควร ปริสันยุตากลุ่มใดควรจะเข้าไปสัมพันธ์ประสานช่วยอะไรกลุมใดไม่ควรไปประสานช่วยหลีกเว้นให้ใครเมื่อหลีกช่างหลีกมา้าม้าเลวม้าร้ายอะไรพวกนี้ช้างร้ายม้าร้ายต้องห่างกูมไม่รู้กี่ร้อยวาร้อยโยต์อะไรอย่างเี้เป็นต้นอาตมาก็ปฏิบัติตามธรรมบุจาทั้งสิน้นกลุ่มใดควรรวมกันและแม้แต่การะใดที่ก็สนับสนุนแต่ยังไม่เอาตัวเข้าไปร่วม อาตมาก็ทําตามการลังนุตต า, าปริษัทยุบริษัทใดกลุ่มไหนรู้กลุ่มไหนควรไม่ควรรู้และแม้ละเอียดไปถึงขั้นกาละไหนกาละนี้แม้กาละนี้กลุ่มนี้ควรร่วมกาละนี้กลุ่มนี้ที่ควรร่วมดีด้วยกันแหละแต่ยังไม่ควรร่วมในกาละนี้ก็รู้และก็ทําอยู่นโดยมีอัจฉริตาธรรมยุตตาเป็นเหตุปัจจัยต่างๆที่เอามาประมาณมัด น, ตนุตตา เอามาจัดสรรเอามา ม, มัดตัญูตตาเอามาจัดสัดส่วนเอามาประมาณาอัตมาใช้สัพพุริสัรรมเจตอตลอดเวลานาสรุปเรื่องการเมืองนั้นคุณต้องศึกษาดีๆเพราะงั้นอย่าไปตีทิ้งการเมืองพวกฤษีตีทิ้งการเมือ ง, พ ง, เ, องเพราะเขาสู้การเมืองไม่ได้เขาไม่รู้จักการเมืองเขาไม่มีโลกุตรจิต เพรเมื่อมีมีม โ, โรคกุศลจิตคุณต้องหนีการเมืองแน่นอนเพราะการเมืองมันมีริดแร้งยิ่งทุกวันนี้หยาบคายรุนแรง จ, จรัดจ้านคุณสู้เขาไม่ได้หรอกนี้ก็ถูกแล้วไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าไม่ลงโทษเพราะคุณไม่ไม่มีภูมิคุ้มกันคุณจะมาสู้ได้ไงแต่ถ้าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันนั้นพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าอวดดีถ้าไม่มีพิเศษจริงอย่าอวดดีตายลูกเดียวตายอย่างเขียดเหยียดขาตาย ถาไม่มีภูมิกุ้มกันตายอย่างเขียดเหยียดค้าตายนะข้ อ, อาภัยแม้พูดแล้วมันใหญ่มันบิ๊กเวิร์ดข้ อ, อาภัยอย่างมากนะที่จริงอาตมา ก, กําลังพูดเกรทเวิร์ดไม่ใช่บิ๊กบิ๊กบิ๊กเวิร์ดนะเอานึกการเมืองก็ขอผ่านไปก่อนนะการเมืองก็มีนัยยะอย่างที่อาตมาขยายความคร่าวๆน้นไปถ้าเข้าใจการเมืองถูกคุณก็จะ เ, เข้าใจอาตมาได้ว่าอาตมาไม่ได้ขี้ผลาม อาตมาไม่ได้ไปทําอย่างที่คุณเข้าใจ ต, ตื่นแต่แค่ว่าการเมืองคือเรื่องไปแย่งอานาจไปแย่งลาบยอดเสรินอปีสุขหรือว่าไปเป็นเหยื่อของการเมืองของโลกอาตมาว่าเราไม่ได้บ่งตื่นเราไม่ได้จะมาแม้หัวจะโล้นกับมาลูกหัวล้นเล่นง่ายๆไม่ได้นะอาตมาไม่ใช่คนอย่างนั้นทีเดียว น้าแม่หัวจะโลนแล้วก็มาลูกหัวโลนเล่นเลยง่ายไม่ได้หรอกน้าอาตมาพอมีอะไรบ้างน้น้เพราะงัน้นเรื่องการเมืองก็ขอผ่านไปก่อนทีนี้ธรรมะย่อมอยู่เหนือการเมืองคุณนี่บอกต่อน้คนเหล่านั้นเขาจะมาหาที่พักจิตใจทางธรรมมากกว่าบริหารสถาน ก, การณ์เมืองควจะมาแต่เขาไม่ค่อยมาเรานักการเมืองที่ยิ่งหลงมืดหน้าอยู่กับการเมืองเขาได้ลาบได้ยอดได้อำนาจ ได้ทรัพย์สินได้อะ้รอย่างที่เขาเป็นเขาไม่มานคนจะมาะเขาต้องมีปัญญาต้องมีจิตใจพักบิงมากกว่าธรรมนั้นย่อมเนื้อการเมืองอยู่เนื้อกฎเกณฑ์อาจจะมาต่อไปพลางแล้วเมื่อกี้นี้ว่าธรรมนั้นอยู่เนื้อกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ทุกกฎเกณฑ์ทางพระอรหันต์แล้วอยู่เนื้อกฎเกณฑ์ทุกกฎเกณฑ์คือตัวเองเนี่ยทำตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้เช่นกฎหมาย ถ้าตํานูจะออกมาอย่างไรเราอยู่ในสังคมนี้เราทําได้หมดพระอรหันตุทุกองค์ทําได้หมดแต่ต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์ต้องมีกฎเกณฑ์ต้องอยู่ใต้กฎหมายพระอรหันต์ก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะจะไม่มีไม่ได้ละเมิดกฎหมายไปตามอำเภอใจไม่ได้ขอยืนยันไม่ดนะีอย่าไปเข้าใจผิด ต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีวินัยต้องมีศีลอย่างน้อยต้องมีศีลซึ่งผมพูดมาอีแล้วตอนต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างศาสนาด้วยจุลศีลมัชจิมศีลมหาศีลเป็นหลักเกณฑ์ต้นเลยแล้วไม่บังคับศีลไม่ใช่เรื่องบังคับส่วนวินัยมีข้อบังคับและมีการลงโทษเป็นกฎเกณฑ์อีกชั้นหนึ่งวินัยนี่เป็นหลักเกณฑ์ขั้นหยาบลงมาแล้วเป็นอานาและเป็นการบังคับส่วนศีล น, นั้นเป็นนนุศาสนี เป็นคำสอนกลางๆใครจะเอาก็ได้ได้ดีปฏิบัติตามก็ได้ดีของต้นไม่ปฏิบัติตามก็แล้วไปส่วนวินัยนั้นต่างกันอย่างนี้เป็นต้นวิีนัยยะมีความละเอียดเพิ่มเติมนะแต่แม้ไม่พระรหันก็ยังมีศีลพระรหันก็ปฏิบัติตามจุลศีลมชิมศีลมหาศีลทุกท่เป็นหลักเกณฑ์ธรรมนูญของพระเจ้าตราตั้งแต่ต้นสร้างาศาสนาแล้วท่านก็เอาธรรมนูญอันนี้ไปทั่วเข้าไปในทุกแคว้น เพราะใครเข้ามาเข้าธรรมนูงท่านปลดแอกปลดวรรณะอิสระเสรีภาพหมดความเป็นทาสหมดความเป็นวัรณนะซึ่งอธิบายมามากแล้วจากนี้เป็นต้นนะม า, าอยู่ในศีลแต่อย่างนั้นก็ยังมาสู่ในศีลหรือเมื่อมีวินัยก็ต้องอยู่ในวินัยของศาสนาพุทธเหมือนกัน mm. เพราะฉนั้นจะบอกว่าไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์กฎหมายใดๆมาคอยคุ้มควบคุมกำกับควบคุมคุณเป็นพวกฮิปปี้ ทิพปีนี่ไม่เอากฎเกณฑ์ได้เลยเอาตามใจตนเองบำเร็ญใจตนเองโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสบำเรอนะเพราะผู้ที่ไม่มีกิเลสบำเรอแล้วอยู่ตามกฎเกณฑ์เขาได้รากฎเกณฑ์ของสังคมกฎเกณฑ์ของประเทศกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกกฎหมายอะไรอรหันอยู่ตามกฎเกณฑ์นั้นไม่ละเมิดหมดรับกฎเกณฑ์ น, นั้นหมดเมื่อเรายอมรับถ้าเราไม่ยอมรับเขกาก็ลาออก เช่นนัตมาไม่เอากฎเกณฑ์ที่เทเลสมาคมตั้งขึ้นมาเป็นกฎหมาย25 2505นัตมาก็ลาออกแต่ไม่ได้ลาออกจากเป็นคนไทยลาออกจากการเป็นพุทธในเทเลสมาคมลาออกจากสมาคมนั้นมาเป็นสมาคมชาวโซลอย่างนี้เป็นต้นนไม่ได้ออกมาจากคนไทยแต่ก็มีคนบอกว่าถ้าลาออกต้องออกจากนอกประเทศ คนว่าอาตมานะว่าถ้าลาออกจากเทรสมาคมต้องลาออกจากนอกประเทศเอาหนักเอาหนักเอาหนักคนที่ตัวอาตมาอย่างนี้เอาหนักอาตมาก็บอกอาตมาลาออกจากเทรสมาคมไม่ได้ลาออกจากความเป็นคนไทยอาดายยังเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยได้อาตมาปฏิบัติตามกฎหมายไทยซึ่งไม่เป็นคนไทยก็อยู่ในประเทศไทยได้ได้ครับแล้วก็กฎหมายไทยรัฐธรรมนูญไทยบอกว่าผู้นับถือศาสนาใดๆก็อยู่ได้ นับถือรัฐที่ต่างกันก็อยู่ได้เนี่ยมีมาตรานี้ประจําอยู่เลยเดี๋ยวนี้รู้จะเป็นมาตราที่37ยังไงแต่ก่อนนี้มาตราที่25่ห้าแต่แต่สมัยที่อาตมา ถ, ถูกจับนั้น25แต่ตอนนี้เป็นสามสิบดเรืออะไรเนี่ยาอาตมาไม่แน่ใจนะัก่าจะใช่นะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีนัยาละเอียดนะมีนัยาละเอียดนะเพราะงั้นจะบอกว่าอยู่เนื้อนะไม่ไม่มีกฎเกณฑ์ อยู่เนื้อโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยควบคุมไม่ไดนะ้บอกว่าธรรมะต้องเข้าถึงธรรมชาตินี่ฝากไว้นะฝากไว้อะไรนะเขาใช้สำนวนเล่นอฝากไว้ก่อนอะไรนะสิบปนะีเออฝากไว้ก่อนนะโอลานใช่ใช่ฝากไว้ก่อนนะโอลานสำนวนที่ก็พูดกันใช่ไหม นึกออกนะไปคำแสดงโลกเนียฝากไว้ก่อนนะโอฬานเดี๋ยวค่อยอธิบายนะไม่ได้ฝากไว้ก่อนเพื่อแก้แค้นนะเ <c oughs> มื่อกี้มาตาสามเจ็ดสมเจ็ดใช่ไหมอ้าวถูกต้องความจำยังดีอยู่ที่ตอนนี้ตรวจตามและทานูนแล้วตอนนี้เป็น ม, มาตาสามเจ็ดทีนี้ท่านคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องทำทำมาคือธรรมชาติฝากไว้ก่อนแล้วนะฝากไว้ก่อนนะโอฬาน เหมือนที่ครั้งหนึ่งท่านโพธิลักษณ์ประกาศตัวไม่ขึ้นกับเฉลสมาคมนั่นแหละผมชื่นชมและเข้าใจได้จริงๆไม่จริงเข้าใจได้ไม่จริงถ้าเข้าใจได้จริงไม่จะไม่เป็นอย่างที่ว่านี้ถ้ามีธรรมะเส็จแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายผู้ที่ถึงธรรมะแล้วไม่เรียกร้องสิทธิใดๆตามกฎหมายอีกถูกต้องอาตมาไม่เรียกร้องสิทธิใดๆเลยนี่เขาให้อาตมาไปขึ้นศาลอาตมาไม่ถึกศาลแล้ขึ้นไปรายงานตัวตัวจับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยแล้ว เปรายงานตัวตอนนั้นตั้งข้อหาอาตมาไปรวบขบวนแต่ตอนนี้ก็ปลดละเขาวางละอาตมา ก, ก็เลยไม่ต้องไปแต่บวกคุณจำลองคุณสุดที่คุณอริยตรัยังโดนอยู่จุงเยอะนะไอ้ตอ น, นทีนี้คุณนี่บอกว่ายังแปลกใจท่านโพธิลักษณ์ดูคลิปเห็นท่านโพติลักษณ์แสดงทำรัฐธรรมนูญเมื่อปีห้าสิบยังรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ติดใจ วางานนะแปลกใจไม่ได้ใจโอ้โหเป็นคนวางเก่งซะด้วยนะแปลกใจจะไม่ได้ติดใจเพราะผมพยายามจะเข้าใจหลักของความเป็นเชนนั้นเองเอามาแล้วตัทธตาผมเข้าใจความเป็นเชนนั้นเองตัทธตาความเป็นเชนนั้นเองและฝึกจิตไม่ให้เพ่งโทษคนอื่นแต่ wow. <Eine. S 1> ที่มาตอบรบกับท่านอยู่เนี่ยก็เพราะธนาก้างความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าใจละเอียดดีมากเลย เหมือนอาตมาเลยนะไม่ได้ไปเพง่งโทสังคมแต่ว่ารับผิดชอบในสังคมนี่แหละออยากไม่อยากเห็นสังคมได้มีความขัดแย้งกันไปมากกว่านี้เหมือนกันเลยนี่มันก็มากแล้วขัดแย้งกันมากแล้วนะก็พยายามจะไม่ให้มากกว่านี้จะให้มันลดลงก็พยายามช่วยผมเชื่อว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันะอันนี้ก็ต่างกันอาตมาว่าไม่ใช่ถูกต้องและใช่มีอยู่ด้วยนะ เพราะพระธรปิฎกถูกเขียนขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันปณิพันธ์ไปแล้วธรรมะคือธรรมชาตินี่ก็สําคัญเดี๋ยวค่อยพูดกันธรรมะคือธรรมชาตินะเดี๋ยวอ่านจบก่อนแล้วก็ค่อยลงที่ตัตาอีกทีนะธรรมะคือธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ทุกเหตุแห่งทุกตามพ้นทุกความพระพุทธเจ้าจึงสอนมวลมนุษย์เพียงเท่านี้นะคือล้วนเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งสิ้นนะอ้าวกลับมาตรงที่ว่า ธรรมะคือธรรมชาติก่อนเมื่อกี้นี้ก็ได้ยืนยันธรรมะไปแล้วว่าธรรมะไม่ใช่คือธรรมชาติธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้มันทรงไว้อย่างอธรรมก็มีทรงไว้อย่างเป็นธรรมก็มีอย่างอธรรมก็ถือว่าเป็นทรงไวซึ่งไม่ดีไม่ควรมีอะถ้าอย่างธรรมะก็ทรงไวอย่างดีควรมีควรทรงไว้ในมนุษย์น่ะ เพราะถาเผื่อว่าไม่ส่งไว้หมดเลยอธรรมปวดไปก่อนไม่ไม่ดีนี่หมดไปก่อนเหลือแต่ดีก็เป็นผู้ที่สัพพาปัสสะาการะนังกุศลสูส้ปัสมุตตาเพราะได้กําจัดเหตุแห่งความไม่ดีคืออธรรมออกไปหมดแล้วคือกิกเลสเหลือแต่ส่วนจิตที่ดีก็เอาจิตที่ดีนั้นมาใช้มาปฏิบัติให้เกิดให้เป็นใหไป ก็อยู่อย่างดีนะเพราะาผู้ที่ทำสจัจจตประโยชน์สัพนังเป็นผู้ที่ทำจิตสะอาด จ, จากอัธรรมแล้วไม่มีอักธรรมในจิตแล้วก็เหลือแต่ธรรมะทรงไว้แล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยกุศลอย่างแท้จริงนะจึงเป็นประโยชน์เพราะาคนจะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อเอาอาธรรมออกจากจิตได้หมดแล้วก็เอาธรรมะที่ยังอยู่ในจิตมีอยู่ทํางาน รับใจสังคมทำประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตเป็นพระหุชนาหิตายะพระุชนาสุขายะโล ก, กาุกรรมปายะอยู่ต่อไปส่วนจะปรินิพานไม่ให้อะไรทรงอยู่เลยปรินิพานเลิกตั้งจิตอั ป, ปนิหิตตังจิตตั้งไม่ปรัถนาอะไรต่อศูนย์ก็เป็นปรินิพานปริโยสารสุดท้ายแต่ถ้าเผือว่าตายลงยังตั้งจิตต่อพุทธภูม ก็ยังไม่เป็นปริโยสานแต่มีนิพพานแล้วแต่ยังไม่จบรอบแห่งนิพพานเป็นปริโยสานเป็นสุดท้ายก็ยังมีก็ยังเวียนว่ายเกิดอีกได้แต่เกิดแล้วสิ่งที่ได้แล้วเป็นสยามอภิญญายิ่งโหปุจจเจ้าแล้วเป็นสยามภูเป็นของตนเองเฉพาะตนแล้วก็ไม่มีปัญหามันเป็นแล้วเป็นของตนแล้วเป็นของจริงของตนแล้วก็ยอดเลยนะเพราะฉะนั้น ผู้ที่ยังทรงไว้อยู่คือผู้ที่ไม่มีธรรมชาติผู้ไม่มีธรรมชาติแล้วผู้นั้นคืออรหันต์ขึ้นไปอรหันต์ขึ้นไปไม่มีธรรมชาติไม่มีชาติที่เกิดชาติจะเกิดสัญชาติจะเกิดโอการติกะจะเกิดแม้นิพพ ต, ติจะเกิดอยู่ สุดท้ายต้องถึงอภินิพัติการเกิดสุดท้ายการเกิดเฉพาะเกิดจำเพาะเกิดสุดยอดและเป็นการเกิดที่ไม่มีกิเลสเกิดเป็นการเกิดของสิ่งที่จะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เป็นธรรมชาติที่บริบูรณ์สมบูรณ์ยังเกิดอย่างผู้ที่ไม่มีชาติอย่างลึกลับไม่ลึกลับในความเป็นชาติแล้วรันจะให้เกิดแต่ชาติที่มีคุณค่าอย่างเป็นสัตบุรุษมีสัพพุริสธรรมเจ็ประการ อย่างแท้จริงหมดอคติทั้งหมดเลยหมดอคติทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นในความเป็นธรรมชาติเอาแต่แค่คาว่าชาติคำเดียวแปลว่าเกิดอยู่ต้องดับชาติจึงจะเป็นการทรงไว้ซึ่งธรรมะเท่านั้นล้วนๆวาะธรรมะที่เป็นธรรมชาติพยัญชนะมันก็ไม่ใช่แล้ว x เท่ากับ xy อ่ามันมี x ด้วย y ด้วยอ่ะ x ก็ต้เท่ากับ x เท่านั้นสิทำก็ต้องเท่ากับทำทำมาก็ต้องเ ท, ท, ท, ท่ากับทำมากแล้วเอาชาติมาต่อเข้าไปเป็น xy ได้ไงแล้วโมเมนต x เท่ากับ xy มไม่ไหนผิดแน่นอนนี่เอาไปเอาอะไรเอาสมการสมคณิตศาส ต, <ข>าตร์บตแบบผี่จะคณิตมา พูดเล็กน้อยอริยบิดยังไม่ได้มากมายอะไรเล็กเล็กน้อยๆเท่านั้น น, น่อ่อ้าวต่อธรรมชาติอีกหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ยังเข้าใจว่าธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงธรรมชาติที่อาตมาบอกแล้วว่าครึ่งหนึ่งน่ต้องเข้าถึงธรรมชาติอาตมาก็ถูงแล้ก็บอกไปทีนวว่า ใช่ครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงไม่ใช่นะรังเข้าถึงธรรมชาติคือต้องรู้เท่าทันธรรมชาติต้องรู้ธรรมชาติให้หมดว่ามันเกิดอยู่เมื่อเราจะอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแล้วเราต้องเหนือธรรมชาติโดยชาติของโลกโลกีที่มันทรงอยู่ในโลกมันมนเข้าเราไม่ได้เราไม่เป็นไม่ไปเอากรมันเราไม่ชาติกับมันไม่เกิดกับมัน่ะ เราโยงทรงอยู่อย่างเหนือเนื้อที่มันจะเกิดเพราะมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทรงไม่ควรเอาต้องไม่เอาด้วยเลยเอาแต่ธรรมะนะฟังนี้ดีแล้วจ ะ, จ ะ, จ, ะจะรู้รายละเอียดและชัดขึ้นนะเพราะงั้นในสิ่งที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติในความหมายของตัวมันเองหมายความว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เป็นไตรลักษณ์หรือเป็นสามัญญลักษ์เป็นไปโดยสามันเป็นไปโดยปกติอย่างงี้มันก็เกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงถ้ามีอะไรไปเติมเหตุให้มันขึ้นไปทางหนักหน้ามันก็เป็นตามหนักหน้าเช่นโลกิยะทุกวันนี้เนี่ยมีอบายเติมมีโลกธรรมเติมเข้าไปหนักหน้าหนักหน้านะกน็ เ, เป็นธรรมชาติในความหนักหน้าจัดจ้านขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ถ้าผู้ใดเรียนรู้ธรรมชาตินั้นแล้วก็ลดเหตุปัจใจที่มันจะเติมให้ไปธรรมชาติหนักหน้าเป็นเบาลงจากชาติจากธรรมชาติที่จัดจางนั้นลงมาจางลงบางลงธรรมชาติบางลงเล็กลงน้อยลงไม่มีไม่มีไม่เกิดไปตามธรรมชาติลดลงลดลงลดลงลดลงได้จนหมดชาติได้คนนั้นก็รู้ธรรมชาติคือสิ่งปัจจุบันที่ยังมี แล้วลดชาติลงไปลงไปจนหมดชาติก็เหลือแต่ธรรมะโดยไม่มีธรรมชาติอีกเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องรู้ธรรมชาติใช่รู้ครึ่งหนึ่งแล้วก็รู้อะไรที่เราอย่างชาติอยู่จึงต้องดับชาติตามปฏิเสธสมุปบาทที่ท่านตัดไว้เมื่อดับชาติจบพบจบอุปทานนั่นเองเป็นตัวเหตุแห่งชาติ ตันหานั่นเองเป็นเหตุแห่งชาติเมื่อดับตันหนัดับอุปทานทึ่เป็นเหตุแห่งชาติแล้วชาติก็ดับภพบก็ดับเมื่อชาติดับภพบดับเวทนาก็ไม่มีโลกียสุขไม่มีโลกีทุกข์ไม่มีไม่มีโลกีสุข ไ, ไม่มีโลกีลกทุกข์เวทนาก็อยู่อย่างปราศจากโลกีสุขโลกีทุกข์ก็คืออุเบกขามอุทุกขมสุ ที่เป็นเนคมะเนคขมัติสิตะอุเบกขาแต่อุเบกขาชนิดที่ออกมาจากพวกนี้เอาอ ก, ออกเลีพวนี้ออกได้แล้วแล้วแข็งแรงเป็นอย่างงั้นจริงกิเลสเข้าไม่ได้เพราะเป็นนิสระประหารเพราะเนื้อไปหมดแล้วตายสนิทแน่นแล้ะเพราะฉะนั้นจึงมีเวทนาของผูนนี้เป็นเวทนาถาวรเป็นอุเบกขาเนคขมัสิตาอุเบกขาถาวร แล้วก็อยู่กับโลกไปเรื่อยๆอยอุเบกขาเนคัมัสิตาอุเบกขาก็ยิ่งปริสุทธาปริโยธาตามุทุกกรรมมัญญาปพัสรายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นมัชฌิมาเป็นความเป็นกลางที่สมบูรณ์อุเบกขาก็แปลว่าความเป็นกลางมัชฌิมายิ่งเป็นความเป็นกลางที่สุดยอด ที่ไม่มีอันตราใดๆเลยไม่มีส่วนตรงไปทางกลางทางอัตตาเลยหมดเลี้ยนจึงเรียกว่ากลางอยู่ตรงกลางมัชฌิมากลางทํากลางอยู่ตรงกลางไม่มีอันตราไม่มีไม่มีปลายข้างไม่มีปลายข้างใดๆเลยไม่ตรงเรียกว่าไม่ตรงตรงเหมันเหมือนมนใกล้ๆไม่มีปลายไม่มีเส้นไม่มีเส้นแหลกเส้นเลียบไม่มีไม่มีแหลกไม่มีโอเวอร์แลกใดๆออกไปข้างๆได้เลยนา ข อ, อไปใช้ภาษาหวหลังเล็กๆน้อยๆออมันไม่มีอะไรแล้วมันกลางจริงๆมันไม่มีแหลมไม่มีโอเวอร์แหลมใดๆอีกเลยนี่คือกลางและกลางทาวอเลยนะไม่ีอะไรกระทบกระแทกกระทั่งกระทุ้งกระเทือนกร ะ, กระทบุบขนาดไหนก็อัศันฮีรัง ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรม า, าหักล้างความเป็นเช่นนี้ได้ไม่หักล้างความเป็นเช่นนี้เองแต่เข้าไปสู่ตัฏฐตาแล้วนะความเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรไปกระทุงกระเทือนกระทุกกรแทกมันมีอะไรไปเปลี่ยนแปลงกันได้เลยเอาวิปรินามะธรรมะอสังหรรังไม่แปรเปลี่ยนไม่มีอะไรหักล้างได้ได้แล้วได้เลยอสัศจกุปปังเทีเง่งแท้นิ จ, จัง ตลอดการสัตว์สตังทุกวันยังยืนยังยืมั่นคนท้าวอนอย่างนี้เป็นต้นเป็นสุดยอดในคุณสมบัติหรืออุตริมนุสธรรมชั้นยอดนะมันต้องเข้าใจคำว่าธรรมชาติเพราะแม่ที่สุดเราก็จะอยู่กับธรรมชาติผู้บรรลุแล้วเป็นอรหันต์แล้วยังไม่ตายยังไม่จบปริพันเป็นปริโยสาร ยังมีขันหน้ายังมีอุปัติผู้นี้ก็จะยังเกิดยังตายยังเกิดยังตายอยู่แต่ท่านมีสยังอภิญญามีปัจเจกภูมิเป็นของส่วนตนแล้วที่อยู่เหนือโลกนี้ได้เป็นคุณสมบัติอันอุตตริมนุสตามแท้ท่านก็อยู่กับธรรมชาติท่านไม่ได้เลิกไปจากธรรมชาติแต่ท่านไม่ชาติกับเขาท่านไม่ปรุงกับเขาจะไม่ให้เกิด ก, กันได้แล้ว ถ้าอยู่เนื้อชาติอยู่เนื้อชาติติอะชาตในมายาชาติประเทศนะไปอยู่เนื้อชาติประเทศเดี๋ยวก็เอาตายอ่ะก็ต้องอยู่กับชาติประเทศซึ่งอาตามาเขียนไว้แล้วในหนังสือธรรมะที่เป็นพุทธวิชาต์มันมีทั้งห้าอย่างยาบอะไรพวกนั้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อธิบายไว้เราก็อาตมาอธิบายออกมาชาติห้าอย่างนั้นนะสรุปตอนนี้ก่อน สรุปตอนนี้ไปขั้นหนึ่งก่อนว่าธรรมชาตินั้นต้องรู้จักแล้วลดเหตุที่มันจะชาติลดเหตุที่มันพาชาติพาเกิดจนหมดเหตุไม่มีเหตุดับเหตุนั้นได้เป็นอภินิพัติเป็นการเกิดชนิดกำเพาะพิเศษสักพู้จะมีนิพุติแล้ว นิพัตินิพุติแล้วเป็นผู้ที่มีปรินิพุทโธติเป็นผู้มีปรินิพุทโธติเป็นผู้ที่มีการการการเกิดที่อยู่ในการตายไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเรียงยังเกิดนะเป็นจักขุมาปรินิพุทโธติเป็นผู้ที่ อมตะบุคคลมีการเกิดอยู่ในการตายกิเลสท่านตายหมดแล้วแต่ท่านก็เกิดอยู่ท่านยังไม่ตายท่านกำลังดำเนินไปอยู่เป็นอมตะบุคคลช่วยผู้อื่นอันอื่นมาทำให้ท่านเกิดไม่ได้นอกจากท่านจะอนุโลมเองท่านจะอนุโลมมีสัจจานุโลมมีปัญญาขงท่านท่านก็อนุโลมตั้นแต ท่ามอนุโลมท่านก็ไม่เกิดท่านมีอำนาจมีว ส, สีเหนือเป็นอุตอนุนตรจิตเป็นจิตที่เนื้ออย่างแท้จริงนะเมื่อท่านจะอยู่ในโลกยังไม่ปรนนิพพานเป็นประโยชนสารท่านจึงอยู่เป็นประโยชน์พระผูชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกาณุครมไปยะช่วยโลกไปซึ่งอันนี้แหละพระพุทธเจ้าสร้างคนให้เป็นโลกุตระบุคคลแบบนี้แหละจึงเป็นประโยชน์อยู่ในโลกแท้จริงเลย สร้างสิ่งวิเศษให้แก่โลกจะปณิธานก็ได้มีสิทธิ์ส่วนตัวจะไม่มีมันจะไม่ยังไม่ปณิธานยังอาตมาในยังอ่ะยังจะขอทํางานต่อไปอยู่เขาเกิดเขตายไปอยู่แต่อาตมาว่าอาตมาอยู่เนือความเกิดความตายได้เนื้อความเกิดความตายที่โดยเฉพาะเป็นทางจิตทางจิต ส่วนทางร้างกายนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะเสื่อมมันจะแก่มันก็แก่ขนาดนี้ยิ่งใครเห็นอาตมานี่จะเห็นแก่เยอะหน้าตาจะยับยู่ยี่เยอะมากเพราะว่าอาตมา ก, กําลังใช้พลังงานใช้การเขียนหนังสืออยู่จนกระทั่งพยาบาลเขาอโอ้โหจีแล้วจีอีกอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะามันจะไม่ทัน เดี๋ยวกันยายนจะต้องส่งต้นฉบับให้เขาไปอีดิทที่จะต้องพิมพ์มากในเดือนตุลาต้นเดือนตุลาต้องออก อ, ะอ่ะนะมันไฟบังคับอะอาชมากันเลยหนักอยู่ตอนนี้ก็ขอเวลานิดนึงก็คิดว่าไม่ถึงขนาดให้วูกหรอกเพราะว่าจะมาคยเขียนวูกทีหนึ่งแล้วคือเขียนหนังสืออีคิโลกุตระอ้อเขียนกินๆินก็เปล่งวู่ความหน้าหน้าสวมเลย ไม่รู้ตัวเลยหาหามลงทรงลงพยาบาลกันไม่รู้ตัวเลยอวุบลงไปยังไงไม่รู้เออเราหมดสติลงไปได้อย่างงี้เหมือนกันอก็เลยไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เอาถึงขั้นนั้นแล้วรู้แล้วอรู้ทันเจ้าแล้วไม่เอาขนาดนั้นหรอกแต่ก็ยังยังต้องโอเวอร์หลดอยู่บ้างยังพอสมควรมันจึงดึงร่างกายไปพอสมควร แต่ก็รู้นะอาตมาจะประมาณรู้ว่าการโหยอาการโหยนี่มันขนาดไหนถ้ามันโหยแล้วอาตมาพอขีดนี่โหยแล้วถ้ามันเมื่อยพอสมควรไปได้เลยถ้าคือขั้นโหยไม่รู้นะอาตมาขอใช้ภาษาไทยมันขั้นโหยเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาเลยขีดโหยขอใช้ระยะหนึ่งเสร็จงานนี่ก็จะ พักผ่อนเขาอยากให้นอนสองทุ่มจะนอนสองทุ่มตอนนี้คอรเกินหน่อยมันมันมันจะไม่ทันอันตมาไล่ล่าเวลาอยู่ตอนนี้โอ้โหล่ากันจังเลยเวลาออืเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอยังระบายเข้าไปใ น, นหนังสือเลยว่าโอ้โหอัตมาไล่ล่าเวลาเอเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดียววเด๋ยววันแกไม่ทันเลยแต่หน้ามันสุขสิทธิ์ลงไปนะแต่ไม่แก่นะไม่แก่ อย่ามาว่าดอาตมาแก่แล้วผิดเอาจริงจริงแก่น่ะแปลว่าเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะแก่นะอาตมาไม่ยอมสื่มแล้วเสื่อมเลยนะอาตมาจะพัฒนาขึ้นอยู่มันเสื่อมไปชั่วระยะหนึ่งยอมะเสื่อมไปชั่วระยะหนึ่งยอมแต่ว่าไม่ไม่ยอมเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะอ้าวเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องมากเกินไปอมาเข้าสูตเนี่ย ธรรมะคือธรรมชาติสรุปตรงนี้ก่อนว่าธรรมะนั้นมีส่วนธรรมชาติด้วยแต่ต้องเนื้อธรรมชาติต้องเป็นคนเนื้อธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติให้ธรรมชาติพาไปบอกแล้วเมื่อกี้อามาอธิบายคําว่าธรรมชาติคือธรรมชาติคือการที่หมุนเวียนอยู่แล้วมันจะปรับตัวมันให้สมดุลถ้ามันปรับตัวไม่ได้ธรรมชาตินั้นมีเหตุปัจจัยที่แรงขึ้นแรงขึ้นสักวันหนึ่งกระเบิด จะแปกจะร้อนจะแรงจะดุเดือดธรรมชาตินั้นเจอจะเกิดวิกฤต์มินมวลวิลกฤตได้เกิดจุดแห่งมวลวิลกฤตระเบิดแตกเลยแต่ถ้าธรรมชาตินั้นยังไปได้อยู่มันก็ไปก็มันอยู่เรื่อยแหละแรงก็แรงเบาก็เบาเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถมาลดธรรมชาติได้ไม่ให้มันเกิดได้มันก็ลดลงลดมันจะเบาลงเบาลงมาลงจนถึงกันลาหูตตา พอถึงลาหุตาแล้วเบาได้มันก็ไปได้เรื่อยๆเบาแล้วมันไม่มีปัญหามากก็ปรุงแต่งหรือทําให้ได้ขนาดขีดเบาอย่าให้มันเกินขีดพราะพูดนี้จะมีมัดกัมยุตตามีการประมาณที่ถูกต้องแล้วก็จะอยู่กับสังคมอย่างอนุโลมปฏิโลมมีมุทุตาหรือมีมุทุภูเตมีจิตที่อ่ อ, อนไวทั้งอ่ อ, อนทั้งไวไวนี่สลายโมบวแหวน ทั้งอ่อนทั้งไวดักได้ง่ายเป็นจิตหัวอ่อนมุทุธาตุเนี่ยมุทุปุตตธาตุเนี่ยเป็นธาตุหนึ่งในอุเบกขามีบริสุทธาประโยชนตามุทุกรรมัญญาปพัสราแล้วก็กรรมัญญาแล้วก็มีกรรมการงานอยู่กับโลกเขาอย่างผ่องใสยอย่างปพัสราอนุโลมปฏิโลมกับเขาไปเท่านั้นดักได้ง่ายปรับได้ง่าย อนุรมไปก็กขาปับเราก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายท่านคีท่านใดเลยจะเมื่อไรก็เมื่อนั้นแล้วทำได้ด้วยไม่จะเปด้แต่ปากพูดอย่างนี้เป็นต้นจึงเรียกว่าอมตะบุคคลเป็นอตตมยตาเป็นผู้ที่อยู่เหนืออตตานะเพราะงั้นผู้ที่จะรู้จักธรรมชาติและทำตนเองเนือธรรมชาติได้จริงนั่นคือมีแต่ธรรมะทรงไว ถ้าสุดท้ายจริงๆไม่มีแม้แต่ชาติไม่มีแม้แต่ธรรมชาติไม่มีแม้แต่ธรรมะปรินิพานเป็นปริโยสารไม่มีอะไรตั้งอยู่แล้วเรียวกว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่อปปนิหิตังจิตตังไม่มีอะไรจุดปรารถนาใดไม่มีจุดตั้งอยู่ไม่มีเ ร, มเรียกว่าอปปนิหิตตังจิตตังจิตไม่ตั้งอะไรดีเพราะนั้นพูดที่จะปรินิพานด้วยจิต อปปนิหิตตังจิตตังนั่นคือผู้ที่จะตัดชินเองเมือ่อบันนี้จะตายด้วยอปปนิหิตตังจิตตังก็จบศูนย์เลยเป็นตายด้วยศุญญ์ตะตนิพานศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ศูนย์แล้วนิพานศูญญตะนิพานแล้วคือผู้ที่มีนิพานศูนย์กิเลสศูนย์แล้วจะอยู่หรือไม่อยู่อีกก็เรื่องของตนเองที่จะ สมมติเอาเรียกว่านิมิตเป็นผู้ที่มีนิมิตเจ้กระตั้งนิมิตนั้นจะมีหรือไม่มีก็มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายจ้กระตั้งเป็นอัตโนตมัติแล้วก็ไม่ต้องเครื่องหมายแล้วนะไวแต่สุดท้ายจะตายจริงๆ จ, จะเป็นอัปปนิหิตะนิพพานอัปปนิหิตะแปลว่าตั้งอยู่หรือแ ป, ปลว่าปรารถนาปณิตะนยถ้ามันยังตั้งอยู่มันก็ยังมีบทบาท แล้วก็ยัมีมโนสัจเจตนามีจุดมุ่งหมายนะพลังงานของจิตนิยามเนี่ยมันจะมีมุกจุดมุ่งหมายไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมไม่ใช่พลังงานที่เป็นผีชะเนี่ยเป็นยถากรรมแต่พลังงานจิตตัณิยามนั้นมีมโนสัจเจตนามโนสัจเจตนาไปมีมโนสัจเจตนานะ เพราถ้าไม่มีเจตนาจะตั้งอยู่แล้วมีเจตนาดับศูนย์ไม่ให้มีอะไรตั้งอยู่แล้วก็ปรินิพานปริโยสาสรโดยไม่มีอะไรตั้งอยู่อีกไม่มีปณิหิตตังไม่มีอะไรตั้งเป็นอัปณิหิตตังจิตตังทุกอย่างจบศูนย์ไม่เหลืออะไรเลยธรรมะก็ไม่มีธรรมชาติก็ไม่มีอ่ไม่มีเลยธรรมะก็ไม่มีธรรมชาติก็ไม่มี อ้าวนี่สาธยายเรื่องธรรมชาติกับธรรมะพอสมควรที่นี้มันเหลือเรื่องความเป็นเช่นนั้นเองตัทธตาภาษาบาลีว่าตัทตาอ้าวสาธยายชัดๆเลยอาตมาเรียบเรียงคําความมาให้ฟังอเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปให้ทังบ้านอ่านด้วยตะถะตามาจากคําว่าตะัทะกับตา ตาคำนี้ไม่ได้หมายถึงไอ้ลูกไอ้กอลมๆที่อยู่ที่บนใบหน้านะไม่ใช่เป็นคํานามตาี่หมายความว่าอยู่ในคําใดก็ความนั้นเป็นเป็ น, ป น, ปนทางพยารกรณ์เขาเป็นคํานาม ต, ตาตตามาจากคาว่าตัทะกับคําว่าตาตัทธนั่นแปลว่าความจริงความแท้หรือจริงแท้ตัะเนี่ย ตัตามาจจะคําสองคํานะตถคําแรกเนี่ยแปลว่าความจริงหรือความแท้หรือจริงหรือแท่ตถตานั้นโบราณอาจารย์ท่านผู้รู้ท่านแปล ก, กันว่าความเป็นจริงความเป็นแท้ความเป็นเช่นนั้นความเป็นอย่างนั้นความเป็นเหมือนอย่างนั้นภาวะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของมันเช่นนั้นเอง คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยนันเป็นตามเหตุปัจจัยนะเป็นเช่นนั้นโดยตัวมันเองอัตโนมัติเป็นไปตามเหตุปัจจัยวันนีเปิดมิใช่เป็นไปตามความอ้อนวอนปรารถนาหรือดนบันดาลของใครๆควันนีปิดนะเป็นชื่อหนึ่งที่เรียกที่ใช้เรียกปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัิปัจจยต า, ตาเพราะฉนั้นมันจะมีเพราะอย่างนี้เ ป, นนเปนน็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นเหตุนี้มันจะเป็นเหตุนี้มาเรื่องนี้ เป็นปัจจยาการไปวนอย่างนั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็อยู่ใดรตราบที่เหตุมันยังไม่หมดมันก็จะมีเหตุนี้ปจึงเป็นนี้มาเหตุนี้จึงมีนี้เหตุนี้ก็เป็นเหตุต่อไปเรื่อยพว่วเป็นปฏิกิริยาลุกโซไปเรื่อยเกิดต่อเนื่องกันอยู่อย่างไม่จบเพราะไม่ดับเหตุตถตานี้ใช้กับคนทั่วไปนะฮตัตานี้ใช้กับคนทั่วไ ป, ท, ท, วไปที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคําว่าตัตาเนี่ย ใช้กับคนทั่วทั่วไปทั้งหมดนะเป็นเช่นนั้นเองเป็นความเป็นเองเป็นความเหมือนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นความเป็นเช่นนั้นอะไรเนี่ยตัดตาคำนี้ก็ใช้กับคนทั่วไปทั้งหมดที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าเป็นสำหรับพระพุทธเจ้านั้นจะใช้คำว่าตัดถาคตหรือตัดถาคะตาถ้าของพรุทธเจ้าจะใช้ช่พาะของท่านเลยว่าตถาคตรหรือตัถาคตาแต่คนทั่วไปใช้ตัตาหรือตัดถัดตาจะใช้ตัทัดตาได้ด้วย นะตถาคตมาจากคำว่าตถากับอาคตตถาปแปล ว, ว่าความจริงความแท้หรือจริงหรือแท้ดังที่พูดมาแล้วอาคตแปล ว, ว่ามาแล้วถึงแล้วหรือการมาการถึงการมาการถึงอาคตเพรานะฉะนั้นมาถึงแล้วพูดที่แล้วเป็นคุณสมบัติของกิริยาช่องที่สามนะเป็น perfect เทนเป็น Per ร์เฟกต์เทนะเป็นพัสเพอร์เฟกต์เเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นสิ่งที่พาสผ่านอันนั้นไปเต็มรูปแล้วพั s เพอร์เฟกต์เทนนะเป็นกาละที่จบตถาคตโบราณอาจารย์หมายถึงพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นถึงขั้นตัทธตาขั้นตถาคตแล้วเนี่ยผู้นั้นยกให้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จึงเป็นพระนามของพรเจ้าทุกพระองค์เป็นคำที่พ ร, รพุทธองค์ทรงเรียกหรือว่าตัดเรียกถึงพระองค์เองว่าตถาคตตถาคตเสมอแปลได้ความหมายแปดอย่างคําว่าตถาคตนี่แปลได้ความหมายแปดอย่างคือหนึ่งถ้าผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือเสด็จมาทรงบําเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นต้น เสด็จมาในเสด็จมาโปรดในโลกเนี่ยเพื่อจะประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆอย่างไรก็อย่างนั้นทุกพระองค์เหมือนกันหมดสองพระผูเเนะ้เสด็จไปแล้วอย่างนั้นเสด็จมาแล้วแล้วก็ไปแล้วนะเสด็จไปแล้วอย่างนั้นเสด็จมาแล้วอย่างนั้นตอนนี้เสด็จไปแล้วอย่างนั้นทั้งมาทั้งไปไปแล้วอย่างใดคือทรงทําลายอวิชชาสละ นะทำลายอาวิชชาสละปวงกิเลสเสด็จไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ อ, อย่างไรก็อย่างนั้นไปเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะสามพระผู้เสด็จมาถึงตะะัทธัทลักษณะตะะัทนะคือทรงมีพรยานอย่างรู้เข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของธรรมะทุกอย่างธรรมะนี้หมายถึงทุกอย่างเลยอาตมายังไม่รู้หมดยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่รู้หมดรู้หมดครบทุกอย่างเมื่อไหร่แล้วอืมื่อนั้นก็ชื่อว่าตถตาแล้วก็ตัดทตถาคตแล้วตอนนี้ก็ตาตาไปก่อนทัดทัดไปก่อนตัดตาไปก่อ น, อ, น, อ, น, อ, นอ่า แสดงว่าพระโพธิสัตว์คือต้องเป็นสัพพัญญูที่ถึงพูะเจ้าไดก็ต้องเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างใช่ทรงทุกอย่างทรงรู้ธรรมะทุกอย่างเรียกว่าพระพุทธถึงตถะแปลว่าของแท้ของจริงอันนั้นเป็นลักษณะทุกอย่างสี่พระพุทธตรัรรรรสรู้ตถธะธรรมตัธะธรรมตา ม, ตามที่มันเป็นความจริงที่มันเป็นตัทธะธรรมท่านที่ทรงไว้อยู่นะไร้มันไม่ทรงมันก็ไม่รู้จะดูตรงไหน มันมีทรงอยู่มันยังอยู่อยู่มันยังมีอยู่ทรงอยู่ก็นี่แหละมันจริงยังไงจริงโดยสมมุติจริงโดยปรมัติตเป็นยังไงเป็นสัจจะทั้งสองอย่างาาตามที่มันเป็นตัศรุอริยสัจสี่หรือปฏิสมุบาตอันเป็นธรรมะที่จริงแท้แน่นอนเพราะการเป็นอริยรสัจสัจจะของผู้ประเสริฐสัจจะของคนชั้นสูงปฏิสมุบาตก็คือหลักธรรมของศาสนาพุทธ ที่เป็นนามมาทำถ้าเป็นวัตถุธรรมก็เป็นแต่ว่าวัตถุธรรมมันยังไม่ไกลแต่ถ้าเป็นนามธรรมแล้วโอละเอียดเป็นปฏิสมุบบาทคือสิ่งที่เป็นปัจยัยการถึงการก็เหตุนี้จึงเป็นเหตุนี้ถ้าเกิดต้นแนววิชาเป็นเหตุหลักเพราะฉะนั้นสังขารไปถึงชาติถึงโซกับบริเทวัตถุกัดเป็นกระพรวนเลยเป็นปฏิกิริยาโลกโซไปหมดถ้ามันยังอวิชายุตราบใด พ้นเอาวิชาเมื่อนั้นจึงจะรู้ท่านสังขารวิญญาณนามรูปอะไรไปจนกระทั่งถึงปรอิอุปายาศนั่นเลยนะห้าพระผู้ทรงเป็นอย่างนั้นคือทรงรู้เท่าทันสัพพะอารมณ์รู้เท่าทันอารมณนะ์ที่ปรากฏแก่หมูสัตว์ทั้งเทพและมนุษยนะ์ผู้ทรงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่ทรงรู้เท่าทันสัพพะอารมณ์ อารมณ์นะอารมณ์พุงตนนี่แหละที่ปรากฏแก่หมูสัตว์อารมณ์พุ่งต้นเนี่ยและหมูสัตว์ก็เหมือนกันเขาจะเข้าใจเขาเข้าใจกันมันจะเหมือนกันทุกสุขอะไรที่ไปยึดไปถือถ้าเราเข้าใจของเราแล้วคนอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันมีเหตุประจัยอันเดียวกันแล้วก็ยึดติดยึดอยู่อย่างเดียวกันเมื่อนกันที่ปรากฏแก่หมู่สัตว์ทั้งเทพและมนุษย์ที่สัตว์ตวะโลกตลอดถึงเทพถึงพรหมได้ประสบและผ่านการแสวงหาทรงเข้าใจสภาพที่แท้จริง สภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นหเป็นพระพุทธสัจฺจรูอย่างนั้นหรือมีพระวาจาที่แท้จริงคือถ้าดํารัดทั้งปวงนับตั้งแต่ตัศจรูญจนเสด็จดับขันธปริณีพาน ล, ล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นอ่าคุณสมบัติของตถาคตเนี่ยเจพระพุทธทำอย่างนั้นคือตัดอย่างใดทำอย่างนั้น ทำอย่างใดตรัดอย่างนั้นแยกว่าตถาคตีตถาการีอะไรยธาวาทีตถาการีตถาการียธาวาทีนะแต่พระผู้เป็นในภาษาบาลีว่าอภิภูพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเป็นอะไรเป็นเจ้าคือทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เจ้านี่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสรรพสัตว์ตลอดถึงพระพรหมที่สูงสุดเป็นผู้เห็นท่องแท้ทรงอํานาจเหนือพรหมนะรู้เท่าทันพรหมหมดเป็นราชาที่พระราชาทรงบูชาเป็นเทพแห่งเทพเป็นอินเนื้อพระอินทเป็นพรหมเนือประดาพม ไม่มีใครจะอาจวัดหรือทัดเทียมพระองค์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติญา ส, สัญนาไม่มีใครเทียมได้เพราะงั้นตะถทหรือตถาเนี่ยแปลว่าฉันนั้นเหมือนอย่างนั้นประการนั้นตัถาเนี่ยตะะัทธแปลว่าความจริงตถานี่ก็คือความจริงมันเป็นพระหุปตตัทธคือความจริงตัถา เป็นเหมือนอย่างนั้นอะความจริงอย่างนั้นเน่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นประการนั้นตถตะแปลว่าความเป็นเช่นนั้นความเป็นจริงอีกทีหนึ่งตัทธปรัชมัทอะจมาเอาอย่างละเอียดเลยนะตัทธปรัชมัทแปลว่าการก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงตถาธแปลว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นอันหนึ่งนั้นอะ ตถตะก็คือความเป็นเช่นนั้นความเป็นจริงเข้าไปสู่เป็นนามเลยอตัถานี่อาจจะเริ่มรู้ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นประการอย่างนั้นพอตัทธะมีอัตตะเข้าไปแล้วเนี่ยมีตัวเราเข้าไปด้วยเนี่ยตถตะเนี่ยความเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเช่นนั้นเลยตัทธะนะตถาภาวะอตอนนี้ความเป็นเช่นนั้นสภาพอย่างนั้นเลยมีภาวะประกอบเลย ตาภาวะกล่าวเข้าไปสู่แล้วก็เป็นขึ้นมาเป็นความปรากฏภาวะเป็นสิ่งที่ปรากฏในตนสภาพอย่างนั้นตถารูปะหรือตถารูปมีอย่างนั้นมีรูปเช่นนั้นอย่างนั้นเช่นนั้นตถาวาทีผู้กล่าวเช่นนั้นาากล่าวอย่างนั้นอะกล่าวอย่างที่เป็นอย่างที่ได้อย่างที่มีนั่นแหละกล่าวอย่างนั้นเลยนั่นแหละว่าตถาวาที ตถาการีเมื่อกี้พูดผ่านไปหยกหยกตถาการีแปลว่าพู้กระทำเช่นนั้นพูดกระทำอย่างนั้นตถาการีอย่างที่พูดอย่างที่เป็นเป็นอย่างที่พูดพูดอย่างที่เป็นตถาคตสาวกแปลว่าสาวกของตะทดตถาคตในแปลทับศัพท์สาวกแปลว่าผู้ฟัง สาวกของพระตถาคตก็คือผู้ฟังพระตถาคตมาใครได้ฟังพระตถาคตมาเป็นสาวกตถาคตผู้ใดฟังคําสอนของพระตถาคตที่มีคนถ่ายทอดก็เป็นสาวกเหมือนกันเป็นผู้ได้ฟังคําสอนของพระตถาคตที่ถ่ายทอดมาญาติมาเอาคําสอนของพระตถาคตมาถ่ายทอดคุณก็เป็นสาวกของพระตถาคตเหมือนกันคอสำคัญญาตมาเอามาถ่ายทอดนะะี่ถูกหรือเปล่า แล้วคนอวดอุตริอวดไม่เคาทาทีา่ไม่มีของจริงก็มาอวดไม่ของจะไม่ใช่ของตถาคตเบี้ยวไปก็เยอะแล้วก็นึกว่าตัวเองถ่ายทอดของพระพุทธเจ้านี่ก็เยอะตัเทวแปลว่านั้นนั่นนั่นนั่นแหละหรือในทรรนองเดียวกันหรือเหมือนกันนั่นแหลตะตัดเทวะตัดถูปมะแปลว่าอุปมาเช่นนั้น มีอย่างนั้นเป็นเครื่องเปรียบเหมือนอย่างนั้นสัตทุประมาเ อ, อาทีนี้ก็มาเข้าสู่คาว่าตัทธตาที่จะต้องศึกษากันให้ครบๆตัตธตาอย่างไรที่เป็นความหมายตัทธตาอย่างไรที่เป็นความหมายแค่โลกียะคาว่าตัทธตาที่มีความหมายแค่โลกียะนี่อย่างไรอย่างไรที่เป็นความหมายถึงขั้นโลกุตระ นะตัศาตามันมีทั้งความหมายของโลกียะมีทั้งความหมายของโลคุตระตัศตาตัฐแปลว่าความเป็นจริงความจริงความแท้จริงแท้ตัตาแปลว่าเป็นคำนามแปลว่าความจริงความแท้ของมั น, น, นะ อ, ยนม อ, ยอย่างไรที่เป็นมิจฉาอยู่อย่างไรที่เป็นสมาอย่างไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่และอย่างไรที่เป็นสมาทิฏฐิตตตาที่ยังเป็นโลกียะอยู่นะก็เช่นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองฟังให้ดีนะโลกียะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครไปทำให้มันเป็นมันเป็นของมันเช่นั้นเองถ้าใครเข้าใจอยู่เช่นน um ี้คนนั Attend ้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วเพราะมันก็เป็นอยู่เช่นั้นเองมันก็เป็นของมันมีอยู่งั Bin ้นเองเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นชนั้นของมันเองไม่มีใครไปทาให้มันหรอก คนนั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วเพราะอะไรมันก็จะเป็นของมันเองไปเองมันเป็นไปเองตามแต่มันจะเป็นมันก็เป็นขอมันไปเองไม่ต้องไปทําอะไรก็ไมัเช่นเราเป็นอยู่เช่นไรเราก็จะเป็นอยู่เช่นนั้นตามเหตุที่มันจะผลักดันให้เราเป็นอผลักดันให้เราเป็นยังไงเราก็เป็นไปตามของมันไปเช่นนั้นถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราและเรา ก็ปล่อยตัวไปตามอำนาจของเหตุปัจจัยนั้นๆเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะไปสู้กับอำนาจนั้นเราก็เป็นไปตามแต่เหตุปัจจัยใดๆจะพาเป็นคุณไม่มีอำนาจไปสู้มันเหตุมันก็พาคุณเป็นไปหรืออย่างโลกโล ก, กีมันมีอำนาจทุกวันเนี่ยมันพาเราเป็นพาเราไปหมดเลยเพราะเราไม่มีอำนาจสู้กับอำนาจโลกนี่เรียกว่าตถตาตามยถากรรม ตทตาสามัญของโลกียะไตรลักษณ์นี่เป็นไตรลักษณ์เป็นสามัญยลักษณ์สามัญมัน เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามโลกเนี้ยสามัญยลักษณ์คุณก็รู้ให้ได้ก่อนว่าโลกมันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติคือธรรมดาคือตัท ต, ตาเป็นโลกียะยาถากรรมไปตามให้ถากรรไปตามที่ตามประจายปไปไม่มีอะไรต้านไม่มีอะไรมันก็สังเคราะห์ไปแต่ฟังความนี้นิดหนึ่งอะไรเกิดขึ้นนี่อันนั้นก็จะต้องเสื่อมไป เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเกิดขึ้นยังไงยังไงหมุนไปยังไงไงมันก็ต้องหมุนไปหาความเสื่อมนอกจะจะมาเติมเหตุให้มันอีกเติมไม่มีเติมไม่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่เติมมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่องตามธรรมชาติแน่นอนคุณจะไปเติมมันก็แล้วกันไปให้มันเดินทางไปมันเดินทางไปหาความเสื่อมและความหมดไม่มีดับไปอย่าไปเติมแล้วกันแต่ทุกวันนี้คนเรามันเติม เติมโดยไม่รู้ตัวนะเพรงนั้นถ้ามันไปตามยถากรรมและไม่มีอะไรเติมมันจะไปหาเสื่อมและสูนย์โดดับแต่ถ้ามันไปตามยถากรรมไม่มีแรงต้านมันมีแรงอะไรโลกียาที่มันพาเป็นใ น, ในสังคมโลกเนี่ยมันปลุกเร้ามันมอมเมามันอะไรไปหมดแต่ธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นผีชะไปถึงอุตุนิยาม มื่จตจิตนิยามนะนิยามมันประกอบไปด้วยกิเลสจิตนิยามมีกิเลสมันก็ไปร่วมผีชะกับอุตุมันก็เกิดตามธรรมชาติตามขีดของมันมันไม่สูงอะเนี้ยแล้วมันก็ไปสู่เสื่อมธรรมชาติของมันเนี่ยมันได้แค่นี้แล้วมันก็ไปสู่เสื่อมมันจะปรุงตัวของมันเองเป็นธรรมะที่เป็นผีชะนิยามส่วนอุตุนิยามนั้นก็ปรุงไปตามเหตุปัจจัยเข้ามา มันมันไม่มีชีวะมันไม่มีตัวเป็นตัวเองที่จะต้องทํามันเป็นเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยเข้ามาเกาะมาเกี่ยวกันส่วนปีชาต น, นตัวมันเองมันมีอํานาจที่จะดูดไว้ดึงไว้อพอสมควรกําหนดรู้รังกระสังขารเอาปี่ชาแต่ยังไม่มีเวทนายังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากเพราะงั้นในตัวที่เป็น จิตปัญญานี้มันจึงต่างกันกับผีชานิยามกับอุตุนิยามเพราะจินนิยามเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆอยะถ า, ากรรมก็ขึ้นกับโลกโลกมอมเมาจัดมันก็ไปกับโลกมอมเมาจัดจะต้องเท่าทันโลกแต่ต้องเหนือกว่าโลกเหนือโลกทางโลกีนะได้ลาบยิ่งกว่าได้ยศยิ่งกว่าได้สันเสริญยิ่งกว่าได้กามจัดจ้านกว่าได้ตัทตาโตโต่อกว่ามันต้องแข่งกันอย่างเนี้โลกียะ ไม่มีชันโดดไม่มีพอไปอย่างนี้แหละไม่มีมากน้อยลงมาหรอกมีแต่มากมากนะเพราะฉะตัฐตาตามยถากรรมตั ต, ตาสามัญของโลกีก็เป็นใจรักที่เป็นสามัญเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่อาตมาอธิบายาครับเพราะรู้จักตัฐ ต, ต, ตาที่ยังมิฉาติฐิอยู่เพราะฉะนั้นการรูแ้และการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นแนั้นเองแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมคนนี้ก็คือมิชาติถิธรรมดาธรรมดาที่สามัญใจลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อธิบายไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าคนใดที่เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ลดเหตุให้ได้ผู้ใดทําหน้าเป็นปัจจตังเป็นของตนลดเหตุได้ลดลงลดลงลดลงก็เป็นปัจจัตลักษณ์เป็นไตรลักษ์ที่เป็นปัจจัตลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นอะไรดับได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกอยู่เพราะนี้ก็จะตั้งอยู่ลดลงตั้งอยู่ลดลงตั้งอยู่ลดลงเพราะมันมีดับไปที่เราดับได้เรื่อย การเกิดขึ้นก็เกิดน้อยลงน้อยลงตั้งอยู่น้อยลงดับไปมากขึ้นดับไปมากขึ้นนี่คือลักษณะปัจจัตตลักษณ์แต่ถ้าสามั ญ, ญลักษณ์แล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยตลอดสามั ญ, ญลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ลับไปถ้ามีเหตุเสริมเสริมเติมไปเรื่อยโตไปเรื่อยโตไปเรื่อย ไ, ไม่รู้จักการลดแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นปัจจัตตลักษณ์จะต้องรู้เหตุและรู้จักลดเหตุจึง เป็นไปเพื่อความละนายคลายจางดับขอาพุทธเจา้าจะเป็นไปเพื่อความละนายคลายจางและดับส่วนผู้ที่ไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักอะไรปกอไปตามยถากรรมปลอกอไปตา ม, ปปตามเป็นเช่นนั้นเองในโลกคุณอยู่กับโลกโลกมันเป็นสนามแม่เหล็กโลกีมันเติมให้คุณโดยคุณไม่รู้อวิชชาคว่าไปกับมันโตกับมันแย่งกับมันไปเรื่อยนะนั่นเป็นไต่ลัก ที่เป็นสามั ญ, ญลักษณ์ส่วนไตรลักษณ์ที่เป็นปัจจัตลักษณ์นั้นมีภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วลดลดลดละนายายจางดับหมดสนิทนะพระอรู้จักตถัตตาที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิจะเป็นอย่างโลกคนผู้นี้ก็มีเหตุปัจจัยในคนมิจฉาทิฏฐิอยู่นะคนผู้นี้ก็มีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องพาไปโลกพาเป็นพาไปเช่นไรก็จะเป็นไปตามโลกเป็นเช่นนั้นเอง โลกพาเป็นไปตามอะไรเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติของโลกของโลกีไม่มีอำนาจเหนือโลกที่เป็นโล ก, กุตตรจิตจึงเป็นเช่นนั้นเองไปตามโลกเป็นเช่นนั้นเองไปตามโลกสังคมเขาสังคมเขาเป็ น, นเป็ น, นไปตามโลกเช่นนั้นเองเป็นไปตามโลกเขาสังคมเ็าเป็นเขาพาเป็นพากันเป็นพากันไปเช่นนั้นเองดังนั้น ถ้าจะอยู่อย่างสง่างามยุคโลกเขาอย่างสง่างามก็ต้องเอาชนะโลกแบบโลกโลกคือต้องมีลาบเหนือกว่าเขาก็สง่างามต้องมียอดเหนือกว่าเขาก็สง่างามต้องได้รับการสรรเสริญเหนือกว่าเขาก็สง่างามรูปสวยเหนือกว่าเขามีรถเหนือกว่าเขามีกลิ่นเหนือกว่าเขาเสียงเหนือกว่าเขาสัมผัสเหนือกว่า ก็สง่างามกว่าเขาใช่ไหมแข่งมาแล้วใช่ไหมเมื่อยแล้วใช่ไหมเลยมาทางนี้ใช่ไหมสมน้ําหน้าตัวเองซะที่ไปโง่หลงอยู่กับโลกเขานักผู้ไรผู้รู้ทันแลก็มาทางออกไม่ต้องไปแข่งจะต้องแข่งแย่างลาบอย่างยอดอย่างสัจเฉินอย่างสวยอย่างรดอย่างกลิ่นอย่างเสียงอย่างสัมผัส แย่งอัตตามีอัตตามีศักดิ์ศรีเหนือกว่ามีอำนาจเหนือกว่ามีความต้องการที่ได้ดังใจเหนือกว่าเขาก็สง่างามนี่คือธรรมชาติอันเป็นไปตามกิเลส ข, ของคนเป็นสามั ญ, ญลักษ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในโลกแห่งสามั ญ, ญโลกีไม่ต้องไปทำอะไรมันใครก็เป็นเช่นนี้เอง เพราะมันเป็นเช่นนั้นเองใครก็เป็นเช่นนี้เองเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองยิ้มแย่าเหตุคือกิเลสสมุทัยอริยสัตว์ที่ที่ต้องจัดการต้องไม่ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเองอกิเลสเนี่ย <c oughs> เป็นสมุทัย ไม่ต้องจัดการต้องไม่ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเองออยู่ไหนละเนี่ยตัวหนังสือให้คือกิเลสโอมันทําไมมันหายตกลนไปไหนนะมันยาวไปทางนัน้นทางโ น, นนะ้นอ่ะต้องไม่เป็นเช่นนั้นเองต้องดับมันให้ได้มันหายไปหมดหายไปส่วนเนะี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยน่ะฮะมันกว้างเอา เอาละฟังอาตมาอ่านเอากระไรกันเพราะว่าไอ้นี่ขาอาตมาพิมพ์เอซีมามันมันกว้างมันเขาเขาก็เลื่อนยากอาตมาพยายามทําให้มันเป็นเล็กๆลงอยู่นะอันนี้มันไม่ทันวันนี้อันนี้ไม่ทันอันนี้มันเขาเพิ่งเอาไอ้นี้มาเมื่อเช้านี่ยอาตมาเพิ่งทำเมื่อเช้านี้ไอเนี้ยเอสเอ็มเอสเมื่อเชาวนี้ก็เลยรีบทาเนี่ยโอ้โหนเกือบจะอาบน้าไม่ทันเกือบจะมาบรรยายพร้อมไปกับกลิ่ แต่ไม่เป็นไรเราสั่งโทรท่านมันไม่ออกกลิก่นจะรูปแต่คุณแต่ท่านฟ้าดท้ายนั่งอยู่ตรงนี้จะได้คลิกแต่ตอนนี้ไม่แล้วอาบแล้วน้ำอ่ะอาทําไมล่ะอ่ะออกไม่ออกอากาศแล้วเหรออะช้อนดับทําไมไม่ออกอากาศล่อะอะมีแต่ปรีวิวอะอ่ะไม่ออกอากาศแล้วอันนี้ของทรดท่านที่ออกอากาศเออทวท่านที่ปรีวิววันเนี้ย จออากาศเด้ อ, อจอนี้มันดับอันนี้จอออกอากาศดับนี่แต่พรีวิวออกอากาศอยู่ทางนั้นจอนี้นี่มันพยศแล้วเนี่ยตอนนี้พยศมาเชิญมาม า, มาตบกระโหลกกันหน่อยเนี่ยมันพยศแล้วจอนี้จอนี้เอามาแล้วนั่นเน่ยรู้จักกระโหลกซะด้วยนะั้นตบกระโหลกมันมาเลยเอา้าวเอาต่อเอาในนี่ไปเลยเหตุคือกิเลสคือสมุทรไทยบริษัทที่ต้องจัดการ ต้องไม่ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเองต้องดับมันให้ได้นะต้องไม่ให้เป็นเช่นนั้นเองต้องดับมันให้ได้ส่วนปัจจัยคืออีกสิ่งหนึ่งเหตุกับปัจจัยนะเหตุคือกิเลสส่วนปัจจัยคืออีกสิ่งหนึ่งที่มาร่วมปรุงแต่งจัดแจงหรือเหตุร่วมเป็นผลดีก็ได้เป็นผลร้ายก็ได้ซึ่งจะไปผลดีได้ก็ต้องมีความฉลาดถ้าฉลาดแค่โลกีเห็นว่าอะไรดี ตามสมมติโลกก็พยายามตั้งใจทําให้ได้ดีตามตามโลกเขาสมมติกันเช่นเขาว่ารวยดีเขาว่าสวยดีเขาว่ามียศ ด, ดีเราก็เราไม่รวยก็ต้องพยายามฝื้นใจแข่งเขาซึ่งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเองไปตามธรรมชาติแล้วที่ต้องยึดแต่ไหมมั น, ม, นมันจะต้องเป็นไปตามเขามันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปตามธรรมชาติแล้วมันเลยจะต้องเอามาแข่งแข่งด้วยแข่งสวยแข่งมียศมีท่านแข่งอะไรเกา มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่ตนยึดตนเป็นอยู่แล้วในขณะนั้นอยู่ตนโทษให้มากถ้าเป็นโลกีนีะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นการฝืนใจตนขั้นโลกีนี่แค่โลกีนี่ก็ฝืนใจมันจะต้องแข่งเขาจะต้องเอารวยกว่าสวยกว่าดีกว่ายศมีสูงกว่ามีสุขมากกว่าอะไรก็ว่าไปมันก็ทวนกระแสใจขั้นโลกีอยู่ขั้นหนึ่งแล้วซึ่งไม่ใช่จิตยอมปล่อยไปตามธรรมชาตนะิไม่ใช่จิตยอมปล่อยไปตามธรรมชาติ ไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติที่ตนเป็นอยู่ขั้นหนึ่งแล้วนี่เป็นโลกีนะแค่โลกีนะยังแข่งแนมะ่แข่งจะได้ลาบยศสังเสริโรกีสุกอะ่ะซึ่งเป็นอย่างใดก็เป็นไปอย่างนั้นพรอนแข่งอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นคุณก็ไม่เป็นไปเองแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเองแล้วนะคุณแข่งคุณปล่อยไปตามยถากลับไปมาเลยมันจะเป็นยังไงก็เอาน้อยๆคุณก็ถูกเบียดเบียนไปเรื่อยถ้าจิตคุณคุณไม่ล่างคุณก็รู้สึกว่าโอ้เราทนเรา มันไม่ยอมหลอกบทขียนหนึ่งมันไม่ยอมหลอกมันจะต้องแข่งเอาอย่างเอาถึงจนได้แหละนะเพราะงั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ตนเป็ น, ป น, ป น, ปนอยู่ขั้นหนึ่งแล้วซึ่งเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองนะมันปล่อยไปถ้าบอกว่าปล่อยไปมันก็เป็นไปเองเขาก็เป็นไปเองไปตามเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยไม่มีริสมันก็จะฝ่อลงฝ่อลงสุดท้ายมันก็จะศูนย์ ธรรมชาติมันก็ไปหาเสื่อมไงอย่างที่อธิบายไปแล้วถ้าไม่มีเหตุมาเสริมมันไปหาเสื่อมได้ก็หมดดับนี่คือขั้นโลกีเท่านั้นนะก็ไม่เป็นเช่นนั้นเองอยู่ตรงๆแล้วมันก็ยังแข่งนะทีนี้ถ้าโลกุตระก็ยิ่งจะต้องฟื้นใจหนักกว่านี้ขั้นโลกีก็ยังฝื้นใจแข่งเอาดีกว่าเขาได้ละกว่าเขายอดกว่าเขาสุขมากกว่าเขาอะไรต่างๆในระดัสูงทางกามทางอัตาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณปล่อยไปตามยถากรรมจริงๆคุณไม่แข่งเลยจริงๆคุณก็ไปแข่งขนาดหนึ่งเลยไปเสบําเลิกกิเลสอยู่ขนาดหนึ่งเป็นอาสวะเมื่ออาสวะทวนรอบอีกขนาดหนึ่งคุณก็ไปแย่งอาสวะโตขึ้นไปถึงรอบขนาดนั้นคุณก็ไปแย่งขาดใดที่อาสวะที่มันอยู่ข้างในเป็นโพเทนเชียลเอนเนที่มันสะสมอยู่ยังไม่ถึงจุดวิกฤตยังไม่ถึงจุดที่มันจะออกมาแสดงตัวมันก็อยู่ได้ พอสักขีดพ้นขีดนี้แล้วมันขึ้นมาแยกแล้วนี่เป็นความละเอียดของพลังงานของจิตไม่ว่าจะเป็น p o t e n t i a อน n e r g y มีการติกระเีนี่มีบทบาทแข่งอยู่ในโลกด้วยแข่งกันอยู่มากบางน้อยบ้างตีกันเบาตีกันแรงนี่กำลังวันไม่รู้ว่าวันที่สี่วันนี้จะฆ่ากันหรือเปล่าเออ ถนหาใจแรงๆอย่าให้เกิดเลยจำพวกคุณเลยนะก็ไม่เป็นเช่นนั้นเองอยู่แล้วตรงๆถ้าโลกุตระเขายิ่งจะต้องฟืนใจหนักกว่านี้เพราะว่าจะมาล้างโลกุตระต้องมาล้างเหรเลยจะต้องฟื้นก็โลกีโลกีคุณจะแข่งแย่งขนาดนั้นโลกียะนั้นมันสองชั้นเลยไม่เอาแล้วต้องมาล้างอีกโลกุตระสองชั้น โ, โลกุตระสองชั้นคุณไม่เอาอย่างโลกีบายมาแล้วคุณต้องมาล้างกิเลสคุณอีกสองชั้น โลกีนั่นน่ะคุณก็เข้าไปแข่งกับเขาชั้นเดียวอคุณก็ทวนกระแสแล้วทวนเพราะคุณจะต้องเอาชนะแต่ถ้าคุณไม่ทวนนะคุณไปตามเรื่องมันสู้ไม่ได้คนก็ส่วนมากก็งั้นเอาได้บ้างไม่ได้บ้างช่างมันก็พอเป็นไปแต่ส่วนมากมันพอได้ทีมันอยากเอามันอยากเอามันอยากเอาแล้วมันไม่จบที่ไหนมันยิ่งได้มันยิ่งอยากได้เหมือนคนที่กําลังอยากได้บ้านได้เมืองเนี่ยจะเอาให้หมดเลยในประเทศไทย อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้ยเราขอโอยหน่อยถ้าโลกุตระเขายิ่งจะต้องฝืนใจหนักกว่านี้ทวนกระแสะโลกีหรือว่าทวนกระแสะโลกคนละทิศอย่างถาวรด้วยโลกุตระนี่จะต้องทวนจนอย่างถาวรเลยอาทีนี่มาพูดถึงโลกุตระสําหรับโลกุตระจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเช่นใดก็เกิดจากเหตุปัจจัย สําหรับโลกุตระเนี่ยจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเป็นเช่นใดก็เกิดจากเหตุปัจจัยถ้าเราสามารถรู้แจ้งดับเหตุปัจจัยนั้นแล้วภาคเพียกรกําจัดเหตุนั้ น, นตอ น, น, นแรกก็รู้แจ้งดับเหตุปัจจัยไปตามลํำดับแล้วก็ภาคเพียนกําจัดเหตุนั้นทุกอย่างก็ดับพระอาจารย์บาสอนดับเหตุทนั้นทุกอย่างก็ดับก็ไม่วนเวียนเป็นธรรมชาติอีก ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดวนเวียนอยู่มีชาติมีการเกิดอยู่ก็หยุดวนเด็ดขาดได้ไม่มีเกิดเลยเด็ดขาดก็เราก็ไม่เกิดไม่เป็นอย่างนั้นเราสร้างเหตุปัจจัยให้ใดครบสมบูรณ์สร้างเหตุปัจจัยใดครบสมบูรณ์เราก็จะเป็นเช่นนั้นเองได้ในตัวเราสร้างเหตุปัจจัยก็คือสร้างเหตุที่การสร้างเหตุก็คือดับเหตุนี่ก็เป็นการสร้าง นนิดนึงเราดับเหตุนี่ก็เป็นการสร้างเช่นนี้สร้างการดับเหตุตัวนี้นะเพราะสร้างเหตุปัจจัยได้ครบสมบูรณ์เราก็จะเป็นเช่นนั้นเองได้ในตัวเราถ้าถึงขั้นตัทธตาถ้าถึงขั้นตัทตาก็คือสภาพนั้นจะเป็นเช่นนั้นเอง ถ้าถึงขั้นตัทธตาสภาพนั้นจะเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นได้อย่างเป็นอัตโนมัติเป็นเช่นนั้นเองนี่คือไม่เป็นอัตโนมัติมันเป็นเองนะโดยเราไม่ต้องไปนําพามันเราไม่ต้องไปนําพามันมันก็เป็นเองมันก็เป็นเองไม่ต้องสังวรไม่ต้องระวังมันมันก็เป็นไปได้ในตัวมันเอง ถ้าอย่างนี้เรียกว่าตัท ต, ตาโลกุตระดับเหตุแล้วแล้วมันก็เป็นไปเองโดยที่ไม่มีเหตุเป็นตัตาโลกุตระตัตาของพุทธที่เป็นความจริงคือเป็นตะ ถ, ะถะตาแล้วดับเหตุได้แล้วมันก็เป็นไปเองของมันในตัวของมันเองตตตาฟังดีๆตัตาเป็นได้ของมันเองนี่แบ่งเป็นสามประเด็นง่ายๆตัตาที่มันจบแล้วนะเป็นแล้วดับเหตุแล้วเนี่ย แบ่งออกเป็นสามประเด็นง่ายๆคือหนึ่งะถ้ายังเป็นโลกิยะก็จะมีทั้งที่ชื่อว่าสัญชาตญาณถ้าโลกิยะมันเป็นเองนะเป็นเองโลกิยะเนี่ยเป็นสัญชาตญาณอ่าหรือชื่อว่าวิสัยวิสัยมันเป็นวิสัยมันก็เป็นสัญชาตญาณเป็นวิสัยมันก็เป็นขอมันอยู่นะหรือแม่แต่นิสัยนิสัยก็เป็น ติด อ, อยู่หรือชื่อว่าสันดานก็เป็นอยู่นะมันเป็นสันดานมันเป็นนิสยัยมันเป็นวิสยัยนะหรือมันเป็นสัญชาตญาณไอ้อย่างนี้ก็เรียกมันเป็นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตามโลกียะนิดหนึ่งสองที่เป็นโลกุตระทีนี้เมื่อกี้โลกียะมันเป็นเช่นนั้นเองโลกียะสองที่เป็นโลกุตระในระดับสาสวะในระดับสาสวะกําลังสร้างนิสัยกําลังสร้างวิสัย ชือว่าสั่งสมบารมีกําลังดับสันดานสร้างนิสัยสร้างวิสัยดับสันดานดับสัญชาติตยานด้วยลางสัญชาติตยานด้วย น, นี่ไม่ได้ขยายความต่อนี่แถมให้สมอันทีานี่ที่เป็นระดับอนนาสวะทีนี้คือมีตถตาที่เป็นบารมีสมบูรณ์ ก็เป็นเช่นนั้นเองยั่งยืนตลอดการเป็นอย่างนั้นะ่ะมันจบแล้วเป็นตัตาที่บรมิสมบูรณนะ์เป็นเช่นนั้นเองยั่งยืนตลอดการอย่างนั้นเองตลอดการเพราะรู้จักตัตาอย่างสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติสัมมาปฏิบัติจนถึงที่สุดนิโรธสมบูรณ์นี่คือสามอย่างสั้นๆเอาขยายความต่อ ตัตาโลกีญาณั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนะฟังให้ดีนะตอนนี้เมื่อกี้ท่านฟ้าไทายอ่านแล้วก็แย้งอัตมาอยู่เหมือนกันว่าตถตาโลกียะนั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนเพราะคุณไม่รู้ตัวตนมันมันก็เลยไม่มีบางทีก็ใช่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนี่คือคนสอดรู้ แต่มันไม่รู้ของจร sí ิงนะมันไม่เที่ยงมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็หลอกคนว่ามันไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปจริงๆมันไม่มีตัวตนเมันก็เหมือนมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีมันหายไปจริงๆแต่เดี๋ยวมันก็เวียนมาอีกเพราะตัวตนมันไม่ได้หายไปตัวตนมันไม่ได้ดับเป็นโลกียะคนไม่ได้ดับเหตุตัวตนมันยังมีเพราะฉะนั้นในโลกียะนั้นไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างนั้นคงที่ แต่มันพาทุกข์แต่คุณก็ผ่านทุกข์ไปแล้วก็ไปเอาทุกข์ใหม่ทุกข์ใหม่แลก็ได้หลงสูบหลอกใหม่หลงสูบหลอกใหม่แล้วก็เปรียนไปยัยงงั้นน่ะแล้วเหมือนกับมันไม่มีตัวตนเหมือนมันไม่ใช่ตัวตนแต่คุณจับตัวตนมันไม่ได้อ่าเพราะงั้นคุณยังไม่ได้ดับเหตุสนิทแม้จะเก่งสมาธิแบบโลกีสมาธิแบบโลกีบบลกคือนั่งหลับตาสะกดจิตคมๆๆๆให้มันไม่ออกมาให้มัน ตกก็ไปใต้กลนบึงของจิตเอาอะไรทับไว้เอาอะไรทับไว้เอาอะไรทึบไว้ทึบไว้ทึบไว้สระอือก็ได้เอาเอาอะไรทึบไว้ทึบไว้สะระอือก็ได้ไม่บอกเสียงทึบไว้ทึบไว้แล้วก็สระอือก็ได้เหยียบไปได้ไหมเหยียบไปทึบไว้แบบสมาธิแบบโลกีเช่นสงบหรือดับอย่างฤาษีที่ฝึกดับจิตเป็นมิจฉานิโรธ มิจฉานรโรสเขก็ไม่รู้ตัวเหตุปัจจัยไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาไม่ได้ล้างด้ยปัญญาเลยมีแต่กฎข่มไปเป็นมิจฉานิโรสก็จะยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสายนี้คือสายศรัทธาจะอธิบายจะถตาไม่ได้สายนี้อธิบายจะถตาไม่ออกครับแยกเหตุแยกผลไม่ได้อธิบายไม่ถูกได้แต่ทาให้จิต ด, ดับจิตสงบอาจจะดับจิตได้เร็ว จนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติก็ตามคนที่ฝึกเก่งดับได้เก่งได้เร็วแล้วปุ๊บ๊บบะก็ยังจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนอยู่อาจจะมีสมรรถนะดับให้อยู่ได้นานนอกจากได้เร็วแลวได้นานด้วยก็นานเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนมีสามั ญ, ญลักษณ์หรือยังวนมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อีกจนได้ เหมือนกับไอไวรัสบางตัวนี่อยู่เป็นล้านปีมันเหมือนตายมันเหมือนมันจำศีลมันกบดานมันเป็นล้านปีเจนแล้วมันก็เคยเคลื่อนไว้ออกมาค่าเกิดเพออย่างนั้นพวก d ีเอเอของไวรัสในไอแม่แต่มันเป็นฟอสซิลแล้วเขายัางเอาฟอสซิลนี้มาปลุกมาปลูกชีวะมันขึ้นเลยมีม ในฟอสซิลมันแข็งตัวเขายะเอามาปลูกได้เลยทุกวันนี้เนี่ขาปลูกฟอสซิลบางตัวบางอย่างขึ้นได้นานเป็นล้านล้านปีถ้าคุณอยากจะนั่งสะกดจิตให้มันตกเป็นล้านล้านปีเหมือนอาราณาบทอุทกณาบทก็เอาสิทำได้เหมือนฟอสซิลเออเหมือนในไวรัสอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นฟอสซิลล้านล้านลาน้ลานปี เขาก็ยังเอามาปลูกอยู่ทุกวันนี้มีเพราะฉะนั้นจึงมีหนังไอ้อะไรหนังไอ้นะอ่าอ่านั่นแหละยังมีหนังพวกนี้นะก็ลุกไดโนเสาร์ขึ้นมาไงนั่น่ะมันเป็นจริงนะไบลาสี่อายุอ่อนล้วนั่นเขก็ปลกมาแล้วเขาจึงเชื่อว่าไอ้ไลาสต์ดารดไดโนเสาร์นี่ก็ปลุกได้มันไม่กี่ล้านปีเองอ่า ตัตาโลกุตระตนินานานั่ง น, นานฟังคุณจะเอาเงินเป็นไปได้ยังไงถึงบอกว่าคุณคิดไม่ออกอย่าไปทําเลยเอาอย่างโลกุตระสิของพระเจ้าฟังโลกุตระตัตาโลกุตระนั้นเที่ยงโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่เที่ยงแล้วนี่เที่ยงไม่ทุกนั้นแน่ตัตาๆๆของโลกุตระเนี่เที่ยงไม่ทุกเพราะไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนของกิเลสชัดเจนนะไอ้ไม่มีตัวตนล้มล้มหลอกหลอกไม่รู้อะไรไม่มีตัวตนบอกไม่ถูกไปไม่ได้อธิบายกันไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเละพูดเป็นแมกจิคอลอยู่งั้นน่ะลึกลับคุณไม่รู้แท้ไม่รู้จริงหรอกถ้าคุณร้แท้ด้จริงต้องมาพูดพูดในละเอียดเหมือนอย่างที่อาตมาในตอนนี้แจกแจงรูปยี่บแปดต่อไปจะแจกแจงเจตสิกจะแจกแจงจิต ร้อยอะไรพวกนี้คอยดูแต่ขอตั้งหลักก่อนเพราะพยัญชนะมันเยอะเหลือเกินอาตมาไม่ใช่นักปิชการนี่ยยากภาษาบาลีย่งโอโ้โหถ้าเป็นภาษาอีสานยังพอทำนองอาตอมาพัฒนาภาษาอีสานบ้างภาษากลางก็ได้แต่ภาษาบาลีนี่ขอศึกษาหน่อยอ่ตาตาตาโลกุตระนั้นเที่ยงไม่ทุกเพราะไม่มีตัวตนของกิเลสสมบูรณ์แล้วเพราะดับเหตุคือกิเลส จนสิ้นอาสวะสนิทเจ้งเพราะปฏิบัติแบบพุทธอย่างสมมาทิฏฐิเพราะปฏิบัติแบบพุทธอย่างสมาา ม, างสมาทิฏฐิจึงถึงตัตาอย่างนั้นเป็นอาเรียรสัจสมบูรณ์และอันติมาสมบูรณ์นี่คัตามาแปลภาษาแอบโซลูตภาษาอังกฤษส่วนอันติมานี่อัลจิเมน ทั้งอิทั้งแอลทั้งอันอัลจิเมซึ่งมีสามระยะฟังดีๆนะตา ต, ตามีสามระยะถ้าเข้าใจสามระยะนี้จะรู้เลยนจะเข้าใจดีเลยหนึ่งเมื่อเริ่มรู้แจ้งนะเริ่มรู้แจ้งความเป็นปรมัตน์ขั้นตน้นเห็นจิตเจตสิกขั้นตนน้นที่เป็นความแตกต่างจากโลกีอ่านจิตของตนเองออกลโลกีเป็นอย่างนี้นะ มันก็ทวนกระแสอย่างทวนกระแสก็จะอุทานพอเริ่มเห็นจิตตัวมันเป็นโลคุตระจิตมันทวนกระแสเนี่ยก็จะอุทานโอ้โหมันเป็นอย่างงี้เหรอโอ้มันเป็นฉันนี้เองเหรอมันเป็นฉันนัดเองเหรอโอ้นี่อุทานตัวแรกเริ่มต้นเป็นตัฏตาตัวต้นตัวแรกจะอุทานจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่บารมี คนที่ยังไม่เคยพบเห็นและไม่มีวี่แววมาก่อนเลยก็จะอุทานแรงไม่เคยเคยเห็นไม่ได้มีวี่ววมก็อโอ้โหเป็นอย่างงี้เองกัเหรอโลกุตระเป็นอย่างนี้เองกันเหรอจิตเจตสิกเป็นอย่างงี้เองแล้วกิเลสลดทวนกระแสโลกโลกรุตระเป็นงี้เหรอตัวแรกที่ได้ตัวแรกที่เป็นถ้าคุณไม่มีวี่แววไม่เคยเจอมาก่อนจะแห่ตกปัจัยเลยโอ้โห อุทานแรงเลยแปลกใจมากส่วนผู้มีบารมีหรือมีวี่แววมาก่อนมากมก่อนมากขึ้นมากขึ้นก็จะอุทานน้อยลงน้อยลงอ่ารู้มาก่อนมากขึ้นมากขึ้นวี่แววมากขึ้นกน็จะอุทานน้อยลงน้อยลงตามที่เป็นจริงจะแปลกใจในความเป็นโลกุตระนี่คือตถตาตัวแรกโอ้เป็นอย่างนี้เองเหรอเป็นเช่นั้นเองเหรอเป็นเชนนี้เองเหรอโอ้ โลกุตระตัวแรงเมื่อได้พบได้สัมผัสความเป็นธรรมะขั้นโลกุตระแท้ไม่ใช่เข้าใจชัดในความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่และก็เสื่อมไปหรือดับไปเป็นการหมุนเวียนของสรรพสิ่งทั้งสิ้นในมหัศจรวาลไม่ใช่เห็นแค่ไตรลักษณ์มันแค่นั้นตอนนี้มีปัจจตปัจจตลักษณ์สามารถรู้จักกิเลสดับกิเลสได้มันไม่หมุนแล้วเว้ยมันไม่เวียนแล้วเว้ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วเว้ยมันไม่ตั้งอยู่แล้วเว้ยมันดับไปแล้วโว้ย มันเป็นอย่างนี้เองก็เลยตัวแรกอุทานตาตาอุทานสองไปประพฤติทวนกระแสได้ตอนนี้ประพฤติทวนกระแสได้ทวนธรรมชาติที่เป็นโลกีได้เป็นไปได้เองจึงเป็นของเช่นนั้นจึงเป็นคนเช่นนั้นเองได้นะทําได้เป็นได้เองเป็นไปได้เองเป็นไปได้เองจึงเป็นคนเช่นนั้นได้จึงเป็นคนเช่นนั้นเองได้ เป็นไปได้เองตัวเราเป็นไปได้เองนะจึงเป็นคนเช่นนั้นเองได้ตนเองได้ตนเองเป็นตนเป็นเองเป็นเช่นที่โลกุตระท่านเป็นนั้นได้สาเร็จแม้ขั้นต้นเมื่อกี้อุทานเจอแล้วอุทานตอนนี้เป็นซะเองเลยเป็นได้เองเลยอยู่ตัวเองเลยอุทานก็น้อยลงเป็นเองแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้ว อยู่ในพกในหอแล้วเป็นเองเป็นของตนเองเป็นเองแล้วในขั้นที่สองขั้นที่สามผู้บรรลุสูงสุดจบก็จะเป็นเช่นนั้นเองสูงสุดจะเป็นเช่นนั้นเองได้เองเป็นอัตโนมัติโดยที่ตนเองไม่ต้องมีสติสัมปชัญญะใดไปควบคุมเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองเต็มที่แล้วเป็นสัญชาตญาณแล้ว ติดตนติดตัวไปเป็นเฉพาะตนของตนเองแท้อย่างน้อยก็สยังอภิญญาแล้วถ้าเป็นตัทตาสูงสุดก็เป็นตักฐาคตาก็ถึงขั้นสยำภูแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้ามันต้องไปทำอะไรเลยมันเป็นเองแล้วมันทำงานขานองมันเองเป็นเองเลยเป็นขั้น past perfect tense จบ กิจยานแล้วมันก็เป็นก็ามันเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยแข็งแรงทาวอนอยั่งยืนตลอดการไปนั่นเองนี่ตัวตัทธตาตัวปลายจบตัวสองกำลังเป็นสะสมเนื้อตัวแรกนี่เพิ่งเคยเจอวะตกกระจาโอมเป็นนี้เองเหรอเป็นฉชนนี้เองเหรอเป็นฉะ่นั้นเองเหรอนี่ตัตาตัวแรกตัวที่สองละได้เป็นเองเป็นของตนเอง ฉันเป็นคนเช่นนี้เองได้เองเองเองเองเองจบแล้วทีนี้สั่งสมจนกระทั่งถาวรยั่งยืนแล้วไม่ต้องทําอะไรมันเลยมันเป็นเองของมันเองหมดเลยท่นนี้มันอัตโนมัติเรียบร้อยหมดเลยนี่คือตาตาสามขั้นไม่ใช่ยถากรรมมันเป็นเช่นนั้นเองก็ปล่อยไปเธอมันมอะไรเองอย่างไปเธอ คุณก็ถูกไปเรื่อยๆคุณยังไม่เข้าถึงสามขั้นโลกุตระสามขั้นนี้เลยตัทธตาโลกุตระยัง น, น, นี่คือสิ่งที่ได้อธิบายจากคุณอะไรนี่คุณนักกฎหมายเนี่ยได้ให้ข้ออะไรมาเป็นประเด็นให้อัตมาอมอธิบายธรรมะวันนี้ขอบคุณน่ะอัตมาว่าจะต่อกก็หมดเวลาแล้วของคุณนี่บอกว่าบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งอาหารมังสวิรัตนี่น่าจะตอบ ให้บ้างนะมีเอสเอฟเอของคุณสามเจ็ดสี่เก้าบอกว่าอยากให้ทางสันเตียโสเปิดค้ายอาหารนะสันเติโสเปิดค้ายอาหารทุกๆจังหวัดแน่นอนต้องเป็นอาหารมังสวิรัติทโจจะข า, า, า, าอาหารอยากให้ทางสันเตียโสเปิดค้ายอาหารทุกๆจังหวัดอย่างน้อยคนจะได้ทานอาหารมังส์มังส์มัง ส, งสวิรัตเพิ่มขึ้นเป็นความปรารถนาดีมากนะ อยากจะสนองความปรารถนานั้นแต่ impossible มันเป็นไปบ่ได้เราไม่มีแรงเราไม่มีคนเราไม่มีกำลังเราไม่มีมาช่วยหนดี้คุณนั่นแหละมาช่วยเราคนหนึ่งจะได้พลังงานคนจากคุณมาช่วยสร้างเพิ่มเติมนะอ้าเห็นด้วยนะจริงๆคุณ4039บอกว่าตนเลิกเซฟเพลได้นะตนเลิกเซฟเพลได้เพราะพันธมิตร ไปเข้าพันธมิตรคนนี้นเลิกเสเพลได้แต่ก่อนรู้ตัวเป็นเซเพลไปเลิกเซฟเพลได้เพราะไปเข้าพันธมิตรเลิกเล่าได้เพราะลุงจำลองอ๋อในลุงจำลองไมมีฤทธิ์กับคนคนนี้เลิกเล่าได้เพราะลุงจำลองทานมังสะได้เพราะธรรมะอโศกอ๋อเข้ามาเป็นคนคั น, นแต่ที่ไม่ลืมตนเปลี่ยนจากคนเลวที่มัวเมาอบายมุกมาเป็นคนดี เพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ได้เพราะกําลังใจจากมวลจากมวลชนยอตอทอยาติธรรม <c oughs> เขาเขียนมาอย่างงาั้น <c oughs> เขาเขียนมายอตอทออาตมาก็ต้องอ่าน <c oughs> เขาก็แปลว่าอาจมาก็แปลให้ยอหญิงอตอทอยาติธรรมนะเพราะกําลังใจจากมวลญาติธรรมเพื่อนพ้องน้องที่ ขอบคุณจริงใจว่างั้นคุณ4039นี่คือประโยชน์ที่เราทำไปก็มีคนได้คนเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะส่วนอของคุณ8705นั้นอัตมาก็ขอลอยนะขอลอยไปก่อนตอนนี้ลอยไปลอยไปน ะ, อะลอยไปบอยไปบอยไปบอยขอดหน่อยกนะ่อนะออัตมาขอมันหมดเวลาแล้วขอตะไว้ บุญญาบุตรหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสาเลขสที่อ่านไปแล้วถึงเลข7ที่คุณนักกฎหมายนี่ไม่เห็นด้วยอัตมาก็ขยายความมันเลข7นี่แล้วส่วนอันหนึ่งสองสาสี่ห้าหนั้นที่คุณดันเห็นด้วยอยู่แล้วก็คงไม่ไม่ติดใจอะไรมากมายก็พักไว้ก่อนไว้ขยายความว่าบุญญาวุตรหมายเลขหนึ่งคือมังสิวรัสเลขสองหมายเลขสองคือตลาดอนุญาเลขสาคือกิจกรรมไร้สารพิษเลขสีคือสุภาพบุญนิยมเลขหคือการศึกษาบุญนิยมเลขหกคือสื่อสารบุญนิยมนั้น ไปวันหลังส่วนการเมืองบุญยมนั้นอธิบายไปบ้างพะสมควรและยังจะอธิบายอีกอย่านึกว่าแค่นี้พอนะอ้าวคุณสรุปโดยไม่มีเวลา <c oughs> เสมอเลยอาตมาก็วันนี้พ่อครูพูดเรื่องที่ตอบปัญหานักกฎหมายนะ จริงหนึ่งที่เรื่องการเมืองเนี่ยพวกครูเน้นย้ำไว้ว่าคนที่ไปทํางานการเมืองได้เนี่ยต้องไปอนาคามีขึ้นไปนะไม่งั้นท่านบอกว่าย่ย้ำไม่ไม่ไม่อนาคามีก็ต้องไปกับพวกครับก็เดี๋ยวก็จะมีแต่อนาคามีกอารหันเท่านั้นไปครับแต่ว่าต้องมีต้องมีอารหันเป็นหัวหน้าเท่ะนั้นเนี่ยอนาคามีเป็นหัวหน้าไปแสดงว่าจะเราจะไปทํางานการเมืองต้องมีพระรหันเป็นหัวหน้า ที่จะนําทีมไปยิ่งทุกวันนี้ยิ่งจัดจ้านแแรงกล้ามากทําให้เอาขั้นไปยากครับแล้วอาหารก็ต้องมีความสามารถสูงด้วยครับใช่ทำไม่งั้นเด็กก็ไม่ง<ะ>ั้นไม่มีทีหลบทีไล่อะไ ร, รตายตายอ ย, ย่างเขียดเลยผมก็ว่างั้นแหละแล้วก็อธิบายเรื่องธรรมชาตินะธรรมะคือของของพ่อครูก็คือต้องรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เหตุแล้วก็ลดเหตุนั้นให้ได้นะลดเหตุนั้นได้ก็จนเป็นพิณิพั อภินิพัติตแปลว่าลถเหตุจำาให้เกิดป่าความจมเพาะขึ้นมาในจิตของเรานะแล้วก็เป็นปริยสารเป็นคนอมตนะเป็นไปไดนะ้แล้วก็มาพูดเรื่องถึงเรื่องอัตตาตาตาตานี้ก็ท่านก็แบ่งเป็นสามระดับซึ่งอัตมาก็สรุปไปว่าตาตาแบบโลกิยาคือตาตาแบบสร้างสันดานะสะสมสันดานให้มากยิ่งขึ้นนะ ต่สตตาแบบโลกุตระระดับสาวะวะคือตสตตาระดับสันดานสร้างบา ร, รมีนะแต่ตาระดับอนาสวะคือหมดสันดานแล้วก็พูดเป็นผู้บีมบา ร, รมีนะคือสามลาักษณะที่ตัวเองสรุปไว้แล้วพ่อครูก็อธิบายว่าเราจะสร้างกิเลสคือตอนแรกเราพบโลกุตระก็นะโอ้โหแม่อย่างนี้ดีเนาะใช่นะมาแล้วมันเบาสบายดีเหลือเกินไม่เคยพบเคยเห็นนะแล้วก็สังสมเป็นบา ร, รมีให้ได้สุดท้ายก็ สังสมให้เป็นสยงอภิญญาก็อย่างพ่อครูเป็นสยงอกัญญาใช่ไหมเราก็มีแต่น้ํายาบ้างอะไรบ้างมั่วๆกันไปข้าพเสั่งสมไปมากขึ้นและสุดท้ายก็พ่อครูก็จะไปเป็นสยามภูเราก็มีแต่น้ํายานี่คุณต้องหาน้มจีนใส่เสมอครับไม่จบครับวันนี้เราได้ฟังทำแล้วแล้ว ก, กงได้เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่มาว่าพ่อพ่อครูอธิบายธรรมะเราก็จะฟังสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ว่ากิเลส ท, ที่ลดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันตามไม่ทันเหมือนกันนะดังนั้นางลูกศิษย์ของธรรมะก็ต้องพยายามลดกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องขอกราบเอามาอยู่กับหมูด่ดีมิตร ด, ดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีครับอยู่ห่างๆเนี่ยไอ้ด่างอาไปกินมดครับอยู่ใกล้ๆหมู่วิดีโดเฉพาะวิ ด, ดีที่เป็นพวกครูเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็หมู่พิดีสายดีสัมมาสิกขมาและก็ยติธรรมที่ละจะทําทให้เราเจริญขึ้นดีขึ้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพวอครูด้วยความเคารพครับ และก็อนุโมทนาทุกคนที่ฟังทำคันลึกซึ่งที่จะไปสู่โรกุตระได้ทุกคนจเจริญธรรม